มันไม่เชื่อตัวแท้เนี่ยนะร่างกายทุงท่านธรรมะก็บอกวนะ่ามีปางอนัตตามีปัง ก, รรกร็รู้เพื่อร่างกายร่างกายที่มีอาการสามดิสสองผมผึงกับความรู้สึกนิเคศมีคนละตัวความรู้สึกนิดคดไม่มาจากใจอาการสามดิสสองผมผมยึดปานนี้มาอยาดยืนนะังเลยไป เนื่อากมามาเรียะไรมาทางข้ากันมาร่วมหอกันเป็นสามีเป็นภรรยากันร่างกายจับใจนี้เป็นสามีภรรยากันแต่สามีกับภรรยานี้เป็นคนละคนึลยหรือว่านั่งกายเป็นภรรยาใจเขาเป็นสามีอันนี้ร่างกายเทีย่ยง คืภรรยาเียบแต่สามีไม่เพียบสามีก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าสามีจะฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าฉลาดก็ก็จะไม่เป็นไรถ้าไม่ฉลาดก็จะเป็นไปตามภรรยาเหมนเหมนคู่ครองบางคู่ี่พอคน คูของตนตายไปคนที่เหลือยู่ก็อยู่ไปไม่นานก็ตายตามไปเพราะใจเขาไม่อยากจะอยู่ต่อไปเขา ม, มีตายรู้สึกว่าอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่มีอะไรเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปแล้วบางทีพลยาตายไปหรือสาวีตายไนไม่นานสามพลายยาและครับ ก็ตายตามตัวการกับการของเราก็เป็นแห่งเป็นคู่ครองกันแต่ก็ต้องจากกันร่างกายนี้เขาไม่มีความรู้สึกไม่คิดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรผู้ที่รู้ก็คือใจใจที่ ชลาลัที่มีธรรมะมีสัมมาทิฏิมีปัญญามีความรู้ว่ารูปังอนัตตารูปังอนิจังรูปังทุกขังถ้าไปในอุปทานไะยึดไปติดว่าเป็ น, ปป น, ปนตัวเราของเราก็จะเป็นทุกข์รูปังนีอนิจจังคือเขาไม่เที่ยงมีการต่อเชื่นมสร้างอยู่แล้วดับไป มุมมองนักตาเขาไม่ใช่ใจเขาไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้สึกม่คิดเขาเป็นเพียงเครื่องมือของใจที่แกนใช้เป็นสื่อที่เราสนทนากันได้นี้เฉพาะสัมผัสกางมีร่างกายย่าหยุด้วร่างกายมีปากใจได้แค่สายปากพูดร่างกายนี้ ในหูก็ใส่หูฟังแล้วก็รับเสียงเข้าไปสู่ประสาทสู่วิญญาณซึ่งเป็นส่วนของใจทีนึ่เมื่อเข้าไปสู่ใจแล้วก็มีสัญญามามาวิเคราะห์เสียงว่าเป็นในความหมายว่าอย่างไรถ้าในสัญญามีข้อมูลฝังอยู่ในใจก็จะรู้ว่าเสียงนี้ ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเช่นเวลาเราเกิดมาแล้วก็รับข้อมูลของเสียงมาภาษานี้นก็เป็นข้อมูลใหม่แล้วเราก็รับข้อมูลนี้เข้ามาฟังว่าในใจเป็นสัญญาเป็นความจําพ่อแม่หิวเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ยินเสียงนี้ก็จะเข้าใจความหมายของเสียงนั้นเป็นตัว แต่ถ้าเสียงเป็นเสียงเอกภาษานย่างที่ใจไม่มีสัญญาความจําเกี่ยวกับเสียงนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจเสียงนั้นได้ว่ามีความหมายว่ า, ยงงย อ, า, า, วาอย่างไรเทียนเสียงนกเสียงกาตอนนี้เขาว่ายังไงเราก็ไม่รู้แต่นอกกานี้เขาเข้าใจเขาคุยเ ข, เขาได้ศึกษาขเข้ามาขเขารู้ว่ากําลังพูดเร่องะไรอย่ถึงแม้อาจจะไม่พูดแต่ หรือความหวานลึกวาา้างเหมือนของเราก็ตามแต่เขาต้องต้องมีความหมาย เ, าเา ส, ส, สียงขอเขาเนี่ยเขาเขาถึงเสีงเยงกันได้เขาถามว่าวันนี้ไปเที่ยวไหนมาที่ไหนมีนนอาหารเขาคุยนแต่เราไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจนี่เป็นส่วนของร่างกายกับใจที่มีความ ภาษาจะมีความเกี่ยวข้องกันใจก็อาศัยร่างกายเป็นที่ที่รับที่ส่งข้อมูลภาษาของเราว่า input output input ก็เสียงเข้ามาที่หู output ก็คือความคิดที่ออกมาทางปากเราคิดอะไรเราอยากจะเสียความคิดของเราแล้วก็พูดออกมาทางปาก แค่รายกจชวนไทยใจชวนเครื่องสื่อมาวัดเราก็ใช้ใช้ร่างกายเป็นสื่อแล้วร่างกายก็ อ, อกาศัยสื่ออีกต่อเนื่แ่ไทยต้องติดต่อกันทางทางอ e ีเม์แล้วก็ใช้เครื่องคอมติดต่อทันทีล้วก็เป็นการส่งความหมายความรู้ที่อยู่ในใจของเราให้กับผู้อื่นผู้อื่นก็ ใช้ตาอ่านด้วยใช้หูรับเสียงแล้วก็แปลความหมายของของรูกที่เห็นกับของเสียงที่ได้ยินเข้าไปที่ใจเข้าใจแล้วรับทราบรับทราบแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจะทําอะไรเึื่อเขาชวนเนให้มาวัดก็ทํามาก็ส่งคําตอบไปถ้าต้อตอบหรือถ้าไม่ตอบก็ ก็รู้วันนั้นว่าจะมาก็เตรียมตัวว่าพอถึงเวลาก็สั่งร่างกายพา้า่าร่าง่าใจมากับร่างกายผู้ที่มาที่ได้รับประโยชน์นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเขาก็เป็นเหมือนกับรถเดินครับเขามาส่งถึงเทือกแล้วก็ลงจากรล้วก็จอดรอเรอยู่ร่างกายนี้มาถึงสารานี้ก็ามา รับข้อมูลมาฟังทรรก็เป็นเสียงเสียงแล้วก็ส่งไปที่จใจใจก็รับออกไปแปลความหมายของเสียงนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรก็ถ้าเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ถือว่าได้ยินของใหม่ได้ความรู้ใหม่ได้กับเท่านั แต่ได้ยินธรรมะนี้ก็จะเข้าไปแก้ความเห็นผิดได้เชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิในใจของุขิผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้บรรธรมีความเห็นผิดคงที่จะไม่เห็นอนัตตาคือความไม่รู้ตัวตนในขันธห้าในรูกเสียรูกเวทนาสัญญาสังขารอย่งาง เราไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเราไม่เห็นว่าเป็นวัตถุของความทุกข์ใจถ้าไปหลงยึดติดกับวัตถุนะั้นว่าเป็นตัวเราของเราแล้วมีความอยากที่จะให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เลยว่าความอยากของตนี้จะมีอย่างจ ที่จะบังคับให้เป็นไปตามความอยากได้หรือไม่พอไม่ได้เป็นไปตามความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากให้ลูกหร่างกายนี้ไม่เจ็บไายได้ป่วยให้อยู่ไปนานๆอย่างนี้มันก็พอมันไม่เป็นไปอย่างที่อยากจึงพอเริ่มเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจความกังวลใจ บางคนก็เกิดความหวาดกลัวพอเวลาตายไปก่อนจะตายก็มีความทุกข์ใจทุกข์ใรำานใจหีืเป็นเพราะว่าในใจมีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นมีความเห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นว่าขันธ์ห้าหรือรูปเวทนาของยาสองสามีญาี้เป็นตัวเราของเรา เป็นสิ่งที่เที่ยงเราควบคุมบั ง, บงคับได้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเถึงรักถึงหัวร่างร่างกายนี่ใครไม่รักไม่หั ว, หวร่างกายหรือใครจะเอาอะไรไปยังพอจะให้ได้แต่ร่างกายนี้ใครมาขอนี้ให้ไม่ได้โดยเด็ดขาดจะเอาไปก็ต้องข้ามข้าม ข้าชีวิตเราไปก่อนนีงจะเอาไปได้นี่คือความหลงวงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้เราก็จะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะเป็นความเห็นที่เกิดจากการได้พิสูจน์แล้วจากพระบรมศาสดาจากพระพุทธเจ้า น้าด่านะได้การรับรองจากพระอรหันตสาวกทุกุว่าเป็นความจริงเพือที่เห็นตามความจริงเพ่อจะปล่อยวางได้เห็นหน้าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ํำลมไฟไม่ใช่ตัวเราตัวไข่นะไม่ใช่ตัวขงตาไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวเพื่อนตัวญาติมันเป็น เป็นเพียงดินน้ําำ ม, มันไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกันกลับไปสู่ดินน้ําำ ม, มันไปไม่มีใครที่จะมายักยั้งได้ร่างกายของพระปุทเจ้าก็เป็นอย่างนี้มาแล้ ว, ลวาาร่างกายของพระนางประสามลกทั้งหลายทั้งแม่เด็กและในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ให้เราเห็นกันอางชัดเจแล้วอันนี้เป็นเพียงร่ากายเป็นเพียงภาตุสี่ดินน้ําห ม, มันไป ไม่มีธาบรู้อยู่ในใร่างกายนี้ถ้ารู้ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้พาพระอรหันต์หลวตาหลวงปู่หลวงพอนี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแตกดับไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสิวที่จะสามารถติดต่อกับเราได้แล้วเท่านันอกจากว่าเรามีสิ่ อ, อยู่อยนอกจากร่างกาย เช่เจตเน้ก็ยังสามารถติดต่อกับจิตดวงอื่นได้ถ้าเจตนึนงพลังผู้ที่เข้าสนาที่ได้บางท่านก็สามารถที่สื่อกับจิตของผู้ที่ไม่ดีร่างกายได้เช่นเทพหรือผีหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่ผ่านไปแล้วที่ไม่ดีร่างกายแล้ว ท่านก็ยังติดต่อนัะ้มีพระอาหานมีพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมรดวหนึ่งกูงมั่นที่ปรากฏอยู่ในประวัติของท่านเป็นที่ถกฉถีนของระหว่างของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติว่าเป็นการ เ, เป็นการเพอร์เฟคหรือเปล่าตอนในตั้งใจไปดกนั้นท่านสแสดงว่าเมื่อไม่พ่านแล้วก็ เป็นอันว่าจบจริงๆควาว่าจบนี่มันมีหลายความหมายหรือคำ ว, ว่าสูงนี่มันมีหลายความหมายคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจความหมายว่าจบกับสูงน่าเป็นยังไงมันจบของการยืนไว้การสูญทั้งั้น ม, มันสูงจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ แต่ตัวจิตตัวนั้นมันไม่ได้จบมันไม่ได้ศูนย์ไปไหนมันจบไม่ได้มันสูนไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรจบในในสากลโลกนี้ร่างกายนี้มันก็ไม่จบเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเองธาตที่มาประกอบร่างกายนี้มันก็ยังไม่หายไปไหนมันก็แยกตัวกลับไปออกจากร่างกายมันก็ กลายเป็นธาตุที่ธาตุพูดภาษาสมมติก็ธาตุบอยสุทธ์ไปน้ําก็ไปเป็นน้นานออํ า, านนส่วนของน้าก็ออกวางไปกลายเป็นน้ําไปส่วนของลมก็ไปกับลมส่วนของไฟก็ไปกับไฟส่วนของดินก็กลับไปสู่ความดินเป็นดินบอยสุทธ์เป็นน้ําบอยสุทธ์เป็นไฟบอยสุทธ์เป็นเป็นธาตุที่ ไม่ได้ผสมกันท่านนั้นเองแต่ไม่งานเดี๋ยวมันก็มาผสมกันไหมกลับไปเป็นยินแล้วเดี๋ยวลูกต้นไม้ก็กิดต้นไม้มันมีนเมล็ดหล่อนันดินนั้นมันก็โตเจริญตอกโตขึ้นมาใหมแล้วเดี๋ยวออกผลไม้ออกมาออกรูปคนก็ไปเอามา ก, กินหรือสัตว์ก็ไปมา ก, กินมันก็กลับมาเป็นส่วนของร่างกายใหม่ นี่ก็คือเรื่องของอนัตตาทุกอย่างมา น, าานอนัตตามั้นนะแม้แต่ธาตุรู้คือใจผู้มีความรู้สึกนึกคิดนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นเพียงธาตุรู้มันก็เป็นเพียงสทววัฏรานสภาวธรรมความรู้สึกนึกคิดสัญญาสังของอนารมีญาณนี่ก็เป็นเป็นสภาวธรรมไม่มีตัวตในใดเวทนาไม่มิมีตัวตนในสัญญาสังของอนารมีญาณมันก็เป็นเพียงสภาวธรรม เนสิ่งที่ทําหน้าที่ของมันการทธรรมชาติของมันเมตนาก็สแสดงอาการสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์น้ำยาก็ทําหน้าที่จําได้หมายรู้วิน ญ, ญาณก็ทําหน้าที่รับรับรู้เกี่ยวกับรูปเสียงเกี่ยวกับรถตา่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแสงขานก็ทําหน้าที่คิดเปลี่กันไปต่างๆคิดจะทําดีบ้างทําไม่ดีบ้าง คิดจะไปที่นั่นบ้างมาที่นีบ้างคุกรักคิชังคิดโลภคิดเกลียดคิดหลงบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของสังขงารล้วเขาก็ทําของเขาไปใจผู้เป็นผู้เจ้าของหรือเป็นผู้ผู้พูนรูปกับเรื่องราวเหล่านี้ก็หลงตามไปบ้างไม่หลงบ้างถ้าหลงก็ทุกถ้าไม่หลงก็ไม่ทุก ถ้าหลงไปกับสังขารความคิดถ้าเขาคิดโลภคิดโกรธคิดหมือนว่าหลงตามก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเึ่นเวลาโกรธใครนี่ก็ร่วมร้อนจิตใจตถ้าไม่หลงตามไม่โกรธตามความโกรธนี่มันก็อยู่มันก็หายไปความรุ่มร้อนตา่างๆมันก็หายไปที่ให้อภัยเขาได้ไม่ถึงโทษเกิดเกลื่เขา ความโกรธนั้นก็หายไปความโลภก็เที่ยงเดยวบางอย่างจะได้พอตัดทิงพอเป็ยนจะไม่เอาดีกว่าเพราะนั้นมันก็จบอันนี้ใจเป็นผู้ที่สามารถสั่งการได้ถ้านรู้นี่เป็นผู้สั่งการยาขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือความเห็นว่าความคิดแบบนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ส่วนใหญ่ใจมันทุกข อวิชาโมหะครอบงำอยู่อวิชาติยาสังขารมันก็เลยหลงตารสังขารความคิดปุงต่างที่ไปในทางไม่ดีความคิดปุงต่างที่คิดไปในทางโลภโกร๋อยเวลาโลภนล่แทนที่จะมีสติรู้ทานว่าน e ี <t une> ่กำลังพาไปสู่นรกพาไปสู่การทุกข์มันกลับไม่รู้มันกับวิ่งตามเอาเลยอยากจะได้อะไรเอาเลย ได้มาอย่างไรไม่สําคัญต้องฆ่าต้องทําอะไรก็อเอาให้ได้เนี่ยมันก็มันก็ไปติดกับของของวิบากกรรมเมื่ออยากจะได้อะไรมากๆก็ไม่สนใจว่าจะทำบาปหรือทําไม่บาปขอให้ได้มาก็แล้วกันพอไปท<ม>าาําบาปข้าวทีนี้วิบากมันก็ส่งผลให้นะความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้ามีมีธรรมะมีสมราทิทธิคอยคุมสังขารอยู่พอสังขารที่ไปในทางโลกโกรธหลงก็จะรู้เลยว่าตายทางนี้ไม่ได้ภาโลกไม่ได้มาไม่ตายอางนี้มันไม่เป็นไม่ตายคือมันมันเพียงแต่มันจะสุขด้วยอจะทุกข์ทั้งเองมันสุขต่อเมื่อมันนิ่งมันไม่อยากได้อะไรไม่โลกไม่โกรธไม่หลงมันจะสุข แต่ท่านียวิชานี้มันจะไม่รู้มันจะคิดว่าจะมีความสุขเมื่อโลกมันถึงโลกที่ว่าเมื่อโลกอยากได้ถิงนั้นสิงนี้มาแล้วจะมีความสุขอยากได้เงินสักล้านเนึ่งมันจะมีความสุขอยากจะได้เรื่องตําแหน่งขึ้นไปอีกขั้งหนึ่งจะมีความสุขแต่ผู้ที่มีปัญญาอย่างพรกพุทธเจ้าเนี่ยทรงพิจารณาแล้วว่า น้นสุกเดียวเียสุกแบบเดียวขมเครื่องน้ำตาลหรือพอความสุขลาลายไปความทุกก็ตามมาเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันไปโรยไปยึดไปติดนมันไม่เที่ยงมีกิดมีดับมีเจรินมีเสียงนั้นเองลาดยึดสารสนเทสุขนี่สัตวโลกไม่ว่าไทยและตามจะเป็นปุถุชนหรือพระอาหารก็สัมผัสด้วยกันทุกคนแต่สัมผัสแบบไหน อุตชอนก็สัมผัสแบบหลงอุปนิอุ ป, อปทานนิสิตอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ยอมให้มันเสื่อมส่วนพระอรหันต์นี้ท่านก็สัมผัสแต่ท่านไมได้มีความอยากให้มันเจริญอย่างเดียวท่านรู้ว่ามันต้องเสื่อมท่านจึงสัมผัสเฉยๆแบบสับแต่ว่ารู้ใครให้อะไรมาก็รับรู้ไป แต่ใจนี้ไม่ได้มีความยินดีกับการที่ได้มาเมื่นอนเวลามันเสื่อมไปมันจากไปมันก็ไม่มีความเสีย อ, อ, อกเสียใจแต่พุทธชฌานี้ไม่ได้เวลาได้ขั้นเลือนขั้นเดือนตำแหน่งได้อะไรมามีดีออกดีใจเมื่อวานี้มีผู้จัดการทางการเงินเพิ่มได้รถใหม่ออกมาดีออกดีใจขนาดอะไรพลาสติกอะไรที่ติดอยู่บนบาะยังไม่ยามฉีดทิ้ง <c oughs> แล้วก็บอกว่ามันเป็นของชั่วคราวนะเดี๋ยวเขาย้ายตำแหน่งเขาเลื่อนเราไปทำ ง, งานอย่างอื่นแล้วได้แล้วออกมันก็จบนขะองตรงนี้มีก็มีได้อยากไปหลวงคามันี่นคือสิ่งคู่คุณชนกังนงย์จะไม่มองกัน <c oughs> จะมองด้านเดียวจะมองด้านจเจริญจะไม่คิดว่ามันเป็นของคู่กับความเสื่อ ความเสื่อมันมาจากที่ไหนถ้ามันมาจากความเจริญมันไม่มาจากศูนย์หรอกถ้าตรงไหนมันศูนย์ตงนั้นมันไม่มีเจริญไม่มีเสื่อเช่อากาศรอบตัวเรานี่มันมีเจริญมันมีเสื่อมมันก็ว่างของมันอเองมันก็ศูนย์ของมันเองตลอดเลาดงั้นเราต้องใช้สัมมาทิฏฐิเราต้องสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกัอเรื่อง คามไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของในขังห้าคือในรูปธเรียกธนาสัญญาสังขารมีอยา่างในร่างกายของเราเลือดของใครก็ตามเหมือนกันหมดร่างกายของเราทุกคนนี้มาจากดินน้าลมไฟเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันมีแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีเต็มไม่เป็นขังไข่เป็นเียของดินน้ำลมไฟ ไม่มีใครเป็นเจ้าของใจที่มาครอบครองก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของใจก็เป็นอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเหมือ น, มนกับเราอาศัยรถยนต์คนขั บ, บรถอาศัยรถยนต์เป็นเค่องมือพาไปตามสถานที่ต่างๆใช้รถไปนา ง, งานเข้ามไปก็ต้องเสียก็ต้องซ่อมถ้างซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้าซ่อมไม่ไหวแล้วก็ต้องขายทิ้งเป็นเศษเด็กไป ร่างกายนี้ก็ใช้ไปเ้ื่อยๆมันก็ต้องเจ็บไายได้ป่วยถ้ารักษาได้ก็รักษาไแปบบถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องวองให้สับเปลิ่ยไปมันก็เท่านั้นคนที่ใช้เขาก็ไปต่อไปแบบอาวิชาหรือไปแบบไปแบบแบบปัญญาไปแบบสมา ธ, ธิก็ขึ้นอยู่กับใจเดียวนั้นว่ามีอะไรพาไป เมียนวิชาพาไปก็ไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ต่อไปเพราะสังขารยังอยากยังมีความอยากความคิดตัวแก่ยังโลภยังยังอยากไปโน่นไปนี่อยู่ก็ไปเกิดใหม่ตามภพภูมิของที่ตนเองได้สะสมสร้างเอาไว้ถ้าสร้างอยู่ในฐานะมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสร้าง ส้าจิตของตนอยู่ในฐานะเทพก็ไปเกิดเป็นเทพถ้าสร้างจิตของตนอยู่ในฐานะโภมก็ไปเกิดเป็นโภคเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสมุทตั้งก็สร้ า, างฐานะจิตของท่านเป็นเป็นโภคไประยะตายไปจิตของท่านก็ไปเป็นโภคอย่างนั้นก็อยู่ในใ น, ในกฎอยู่ภายใต้กฎคําว่า น, นิจังทุกคำวณัตตาคือมันเป็นพรค ม, มันก็ในวันเสื่อมสุขได้ จิตนี้หลังจากที่ได้อยู่ในสถานะภาพของโทงไปชักระยะหนึ่งแนละ้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงมากําลังของสมาธิที่กดจิตไว้ให้ละเอียดนี่มันก็จะเบาลงไปกิเลสที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะออกมีกําลังมาปรงุงแต่งให้จิตนี้มีความอยากขึ้นมาก็ต้องเสื่อมจากเทสมาเป็นโท เสื่อมจากพร ม, มาเป็นเทแล้วหลังจากนั้นเสื่อมจากเทก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็คือการายของจิตที่ยังมีอวิชชามีตัณหาพาไปยังต้องไปเยือนว่าตายเกิดในพบน้อยพบอยางของวัตจักถ้าสถานภาพจิตเป็นเดรัจฉานก็ไปได้ร่างกายของเดรัจฉาน พ้เป็นเปรตก็ไปเป็นเปรตถ้าเป็นนรกก็ไปเป็นนรกในประวัติพุทธประวัตินี้เราเราเราศึกษาได้น่เพราะเทวทัพนี้ต้องบอกนะทําติตทั้งด้านให้เป็นนรกพอตายไปก็ต้องไปจบนรกก็ไปเป็นนรกบางคนทํำจิตให้เป็นเดรัจฉานตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเจ็ดถีนะมีเงินทองมากมาย ไม่อยอมทำบุญไม่รักษาศเอาเงินที่ได้ไปฝังดินไม่หมดไ ม, ไ, มไม่บอกแนมะ้แต่ลูกของตนว่าฝังไงว้ที่ั้นแล้วเพราะเดืความโลภความหัวงพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนแล้วก็พาลูกๆไปขุดสมบัติที่ตนเองฝังไว้แตไ่ไม่ได้คิดว่าจะพาไปให้เขาหลับแต่ตัวเองอยากจะกลับไปหาสมบัติ อางตัวเเป็นสุนักก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้สมบัตินั้นเพื่อกลายเป็นสมบัติของลูกปั้ในดีในพุทธประวตถ้าเราเศษษึกษาเราจะเห็นเลยนะว่าทาอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างไรเห็นการชัดๆอยู่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ความรู้ด้วยความหลงนั่นเองในิดของเราถ้ามีความรู้แล้วก็ จิตของเราก็จะดลุดพ้นจากความทุกข์จากการเรียกว่าตายเกิดได้ถ้าไม่รูก้ก็อย่างจะต้องทุกข์กับเรื่องราว่างตาทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้พอเขาเจ็บคข้ได้ป่วขึ้นมาเราก็ทุกข์ไปกับเขาแล้วแม้ ท, ทั้งที่เราไม่ได้เจ็บคข้ได้ปัวยเลยทาไมต้องไปทุกข์กับเขาทุกเรื่องมันจะทําให้ต้องหาทุกข์รึเปล่าเราแบ่งทุกข์ของเขามาให้เราได้กึเล่า แล้วก็อาจจะไม่ทุกก็ได้คนที่เขามีความรู้อยู่เขาไม่ทุกหรอกอย่างน้องตาท่านทุกับร่างการท่านหรือเปล่าถามจริงๆเอ๋ทุกหรือเปล่างถามตัวเองลูกลูกสิกนี่เรารู้สึกสงสารท่านอแล้วเราไมทุกเท่านั้นไม่งการทํานั้นทำไมเราไม่สงสารตัวเองนะเพราะเราไม่ใช่ปัญญาเราไม่ใช่สมาธิถือ มันไม่ยึดเคระอยู่ทุกขณะจิตไม่แยกแยกทุกขณะจิตว่าไม่มีอะไรนีตัวมีตรงเป็นการปรากฏการของธรรมชาติเวลามีภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเราต้องไปทุกกับการระเบิดของภูเขาไฟหรือเปล่าหรือเวลาแผ่นดินถล่มน้ำท่วมมันก็เกิดขึ้นของมันแต่ถ้าเป็นบ้านของเราอยู่ถูกน้ำท่วมนี้ก็เปิดความทุกข์ขึ้นมา พ็เพราะว่าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเรามันเป็นของเราที่ไหนมันก็เป็นของดินน้ำโล่งไปบ้านก็มาจากดินน้ำโล่งไปสมบัติท่าของต่างๆมันก็มาจากดินน้ำโล่งไฟมันก็ไม่เทียงนมันก็เปลี่ยนแปลงได้มีเกิดมีดับได้มีเจริญมีเสื่อมได้เนี่ยนะที่พูมาทั้งหมดนี้ก็คือปัญญาทั้งนั้น เรื่องสัมมาทิฏฐิมันก็วาดลงอยู่ที่ในตายรักนี้ละอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครเห็นอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกขละกจิตแล้วก็จะ <c oughs> ก็จ ะ, อ ย, ะ อ, อยู่ในความทุกข์ยากแต่กะระดาษใที่เผลอที่ไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะต้องถูกอำนาจของอวิชชาโมหะนี้ฉุดลากให้เข้าไปแ บ, บกกองทุกโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> นคือนะความจริงอริยสัจทีทุกทรงทายโรู้แบบนี้ก็อยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาใช้คิดด้ปัญญาคิดด้วยธรรมะก็เป็นมรรคถ้ามรรคทำงานไมโรกมันก็เกิดตามมาถ้ามักไม่ทำงานใน่รก้ก็หายไม่ทำงานไม่ไม่เป็นผลคือความทุกแทนที่จะหลับมันก็จะผลดึ้นมาเพราะเวลาที่มรรคไม่ทำงาน ปัหาเรื่องจะทำงานแทนนีสมุทยก็จะทำงานแทนก็จะอยากให้หายอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนีไนงนน้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ขึ้นก็จะเกิดความกังกวลกังวลก็ทรุพกระซายเกิดความกงังวลต่างๆขึ้นมาเป็นห่วงเป็นไรแทนผู้อื่นตอนนั้นที่ผู้อื่นเขาไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกับเราเขาสบายเขาก็ เขาก็ดูมันไปตามความจริงของเขามันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้นถ้าปฏิบัติไปเรื่ๆแล้วมันก็จะเข้าสู่อุเบกขากับทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแาก็ไม่ได้นะมายความเฉยเมยในบางเรื่องบางสิ่งนี้ถ้ายังอยู่ในวิสัยที่เรายัง ดูแลรักษาได้แล้วก็ดูแลมันไปทำไปแต่ไม่ได้ไปเวอุปทานไปนยึดไปติดถ้าทําแล้วรักษาแล้วมันไม่หายก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่หายถ้าทําแล้วรักษาแล้วมันจะทายก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันจะต้องตายไม่ก็เบ่งหยาดใจนี้ก็จะเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลา คำว่าอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าให้หยุดเฉยๆไม่ทําอะไรคําว่าอุเบกขาก็คือให้ทําใจเป็นกลางไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่ไม่โกรธไม่มีภาวะตัณหาไม่ภาวะตัณหาอจาย์นี่คือคําว่าอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาแล้วก็เนี่ยทาอะไรกินอย่างเดียวถึงเวลากินไม่อุเบกขา Sabes, แต่เวลาทำนี no ่อ <en> ุเบกขาเจอเจพวกอุเบกขาหี่ลอยแล้วปวดหัวมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำไปจะยังทำได้ก็ทำไปมีหน้าที่ทำธรรมักินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอัาใีอิจตโนนาเถออยู่นรับผิดภอบชีวิตของตนเอง เรื่องของผู้คนที่เรามีความเกี่ยวยข้องด้วยก็ดูแลไปทาไปทำแล้วจะได้มากจะได้น้อยก็ก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นความสามารถของเราเราทำได้เีน่นี้มีความสามารถเท่นี้ก็ทำได้เท่านี้แต่ใจก็เฉยเฉยไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจกับผลงานที่เกิดขึ้น ถ้าเรามีใจอย่างนี้เราอยู่ในเรื่องนี้เราทํานั้นเราก็ทําได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีคิดอย่างนี้ไปยังไงก็ได้ต้องคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรเพราะเรารู้โดยรู้โดยท่ารวมแล้วว่าทําอะไรก็ทําไปเถอะในที่สุดมันก็จบอยู่ดี เราถ้าเป็นหนังแล้วนะเขาไปดูตอนตอนท้ายแล้วแถลงเห็นพระเอกนางเอกตายกันหมดเนี่ยเรละวางละวางก่อนจะจบนี่พระเอกเอกจะต่อสู้กันยังไงยะอะไรเขาก็ทําง้อไปพวกเราก็เหมือนกันเนราพวกเราต้องเป็นพระเอกนางเอกกันเราจะต่อสู้กับอะไรก็ทําไปเถอนะ แต่ตอนจบเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเข้าไปในโรงดยู่แต่เรามักจะลืมเลยเรามักจะลืมว่าเราจะต้องเข้าโรงกันเราก็เป็นสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเอาทุกทรมานยี่งกว่าตายที่เวลาตายกับสบายกว่าพวกเรานี่อยู่กันแบบความทุกข์มากกว่าขอจิตถ้าอยู่แบบพวกเรานี่สู้ตายดีกว่า เมื่อตายแล้วมันไม่ทุกข์อยู่มัทุกข์กันเลาปไปทุกข์กับทุกเรื่ อ, ง, อ ง, ง, งใช่ไหมพอตายแล้วทุกต่างๆงนี้ก็จบไงหายเป็นหมนเลยแล้วมันก็ต้องตายอย่างดีเนี่ยนะข้าไม่ตอจบเลยข้าไม่ตอนจบเลยพูะเจ้ า, จาให้สอนข้ามนึ่งให้เราเร็นึความการลมหายใจข้าออก เวลาจะได้ไม่ยืตนตามจบของเราว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรารู้ตามจบของเราเป็นนี้แค่ตอนนี้เราต่อสู้กับใครแล้วมันถึงกับโอ้โหเราทุกตทรมาร์ตินไม่ได้นอนไม่หลับนอะนอย่าไปสู้มันดีกว่าให้มันไปเถอะมันอยากจะได้ท่านไปครางนี้ก็มีผู้หญิงมามาฟองมามีผู้หญิงคนจะมาแย่งแปลงเขาไป <c oughs> ให้หมดให้เขาไปเลย <c oughs> จะมาชุกเขา้าทำไม มัน <S <S มันไม่ใชเราไม่เราไม่สามารถไปจาแฟนเราได้เนี่ยว่าเขาจะอยู่กับเราหร้อเขาจะไม่อยู่กับเราเราจเรื่องของเขาอ่ะถ้าเขาจะอยู่ต่อให้ใครก็มาอรอใจเขาอย่างไงเขาก็ไม่ไปถ้าเขาจะอยู่กับเราแต่ถ้าเขาไม่ไม่อยู่กับเราต่อให้เราทําไงเขาก็ไม่อยู่กับเราอยู่ดีแล้วเราไปทุกข์กับเขาทำไมออยู่คนเดียดีกว่าไม่ได้ไปทุกข์กับใคร เดี๋ยวก็จบสู้กันแทบเป็นแทบตายนเดี๋ย ว, วก็จบเ ด, ดี๋ยวก็หมดไปหมดอยู่ๆหาเงินหาทองได้เป็นแทบตายเึงหาเสรษฐีไ ด, ด้ไม่กี่กิ่งเดี๋ยวก็ตายไม่คิดถึงตอนจบกันก็ยังยังพยายามรุ่นตอนจบไม่อยากให้มันจบทางนั้นแบบนี้ เนี่ยคิดดูสักกี่เลยมนมันฉลาดขนาดไหนมันหลอกให้เราไม่ให้คิดถึงตอนจบเลยไม่ให้คิดถึงความตายเลยนแม้แต่ความคิดควาว่าตายนี่ก็หาว่าเป็นความคิดที่เป็นอัปมงคลเะย <c oughs> มันมียันกันไว้เลยนะ <c oughs> คิดไม่ได้เลย <c oughs> ไม่คิดย <c oughs> อย่างนี้ไม่คิดอย่างนพอคิดแล้วเหมือนจะต้องตายทันทีเลย <c oughs> ถ้าคิดว่าจะตายเนี่ยจะต้องตายทันทีเลย ก็อย่าที่สอนนี่ยังก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อะไรอยู่แบบอุเบกขากามมีตามเกิดใคายังมาแย่งแฟนตาก็เอาไปเลยใครยังมาแย่งสมบัติตายมีปัญญาเอาไปได้ก็เอาไปเลยใครจะมาฆ่าเรามีปัญญาฆ่าเราบ้า้ก็ฆ่าไปเลยใเนี้ก็จะอยู่แบบแฮปปี้อินเด้งใจจะมีความสุขใจจะสงบจะเป็นอุเบกขา ถ้าไปต่อสู้แล้วมันก็จะวุ่นวายใจก็ตึงมีสูตรว่าให้ยอมหยุดแล้วก็เย็นใช่ไหมให้ยอมรับความจริงแต่เขาจะมาเอาชีวิตเราไปได้ก็ยอมได้้าเอาไปเราก็หยุดต่อสู้เมื่อเราหยุดต่อสู้แล้วใจเราก็จะเย็นจมูกเบกข่ายังจำสามยอมม ย, นะ <c oughs> ยอมหยุดเย็นยอมสามีจะไปก็ไป เขาจะดา่าเราก็ดา่าเขาจะทำอะไรเราก็ทําไปเพรามีปัญญาทําได้ก็ทําเราหลบไม่ได้ก็เราก็ยอมถ้าหลบได้ก็หลบไปหลีกได้ก็หลีกไปแต่เราจะไม่ทําเขาเราจะไม่ต่อสู้กับเขาก็ดูพระพุทธเจ้าต่อสู้กับพระเทว ท, ท, ทัพได้เปล่าพยายามฆ่าพูะพุทธ้าถึออสางสามครั้งท่านเคยต่อสู้ไหมถ้าท่านจะทําทพระเทวท่า น, นี่ท่านทําไม่ได้เลยระดับพระพุทธเจ้าเนี่ย แต่ท่านยอมหยุดแล้วท่านเย็นเพราะถ้าไปทำเทวทาาัตใจท่านก็จะร้อนขึ้นมาไปทำมันเป็นวิบากขึ้นมาในฆ่าของนีป้ปัญญาต้องพยายามเจริญสัมมาทิฏฐิเรื่ยรอยๆพิจารณาใจยักเรื่อยๆใจรักในในรูปเวทนาปัญญาการวิญญาณ ในลกเสียงกลิ่นนกในราบยอดทะเลแสนสุขเนี่ยถ้าเห็นเหล่านี้เป็นตายร้วมันก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้บิเกนนิ่งแฮปปี้อินดแฮปปี้ตลอดบาลมังสุขขังตลอดเนี่ยลามังสุขสขังนี้ไม่ได้เกิดตอนที่ตายนะมันเกิดตั้งแต่เตอนที่เราปล่อยนะถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่มันก็บาลามงสุขขังเมื่อนั้น พระพุทจเจ้าก็เปิดมังกรขังในวันเพ็ญเดือนหกนั่นเองทั้งปล่อยหนึ่งท่านปล่อยตามลำดับตอนต้นท่านก็ปล่อยล่า ง, งรูปสารสวนส่วนก่อนออกบวชนี่นก็ปล่อยไปส่วนหะนึ่งแล้วแล้วก็มาปล่อยล่างกายรูปเวทนาทั้งอย่างทั้งขางแล้วก็มาปล่อยจิทีเพอปล่อยสามส่วนนี้แล้วก็หมดละไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นปัญหาต่อไป ท่านอจรย์ค่ท่านอาจที่บายตอนตอนอ้นมาดูกิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันพอมันมีสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็มีโมหะทุศามากระทั่งเด็กเนี่ยเวลาที่ท่านจารย์ที่บายเรื่องคิวนี้รู้อยากรู้ว่าไอ้ความไม่รู้อันเนี้ยมันติดมาจากติดเดิมแต่นี่พอพอนานมันขึ้นแล้วมันพอหมดในชาตินี้มันจะติดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มหรือว่าเราเราเราสะพนส่วนไหนถ้าเรา สะสมความโล้ความโกรธความหนือนมันก็จะมากขึ้นถ้าเราสะสมทำงานมันก็ไอ้ส่วนนั้นมันก็จะน้อยลงส่วนทำงานนี่เป็นส่วนที่จะมาละลายมันเนไงเป็นเหมือนผงซักพอกรู้ โ, ก, โกรธเหนี่เป็นเหมือนกับสิส่งสกปตกที่ติดอยู่มันเสื้อผ้าของเราถ้าเราไม่ซักเลยเนี่ยแล้วเราใช้มันไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมคราสปรกเพิ่มขึ้น ไ, ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาซักบ้างมันก็ มันก็จะชำระออกไปบ้างถ้าเราชาระมันตลอดเวลามันก็มันก็จะสะอาดบา ร, ริสุทธิ์ทีนี้พอสะอาดบริบรสุทธิ์แล้วมันก็จะไม่เปืเป้อนๆเพราะมันจะรู้ว่าอะไรทําให้มันเปืเป้อนมันก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้มันเปืเป้อนๆอย่างจิตของพวกเราเนี้ยชาตินี้เราเรามาทําทั้งสองอย่าง บางทีเราก็ยังโลภโกรธหลงอยู่เราก็ไปเพิ่มความสกบขึ้นมาภายในจิตทุกครั้งที่เราโลภเราโกรธเราหลงนี้เราเพิ่มปริมาณของความสงบของโมหะอวิชชาให้มีเพิ่มมาคือเพราะมันอามาจากโมหะอวิชชาเนี้แล้วทุกครั้งที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเวลาโลภเราตัดลงเราไม่โลภตามเวลาโกรธเราไม่โกรธตามเวลาหลงเราไม่หลงตามให้ปริมาณของโลภโกรธหลงมันก็จะน้อยลงไป จนในที่สุดมันก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยถ้าเราเราเราทุกครั้งที่มันโลภแล้วก็เช่นวันนี้จะไปไปซื้อของฟุ้งเฟ้เปลี่ยนใจวันนี้ไปทําบุญทุกครั้งมันคิดอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่โลภที่จะซื้อของฟู้งเว้อทุกครั้งที่อยากจะซื้อของเช่นคนชอบดื่มดื่มสุราก็ะจะไปซื้อโุราก็ทุกครั้งที่อยากดื่มโุราก็เอาเงนที่จะไปซื้อสุรานี้มาทําบุญเอามาให้คนอื่น ทำไปแล้วในสุดความอยากจะซื้อสนราบิ่มมันก็หายไปนะทุกครั้งที่โกรธก็เอาเงินที่เรามีอยู่นี่มาให้คนที่เราโกรธแทนอยายมมกให้โกรธถ้าอยากจะหหกให้โกรธเนี่ยก็ลองทำแบบนี้เลยไปซิมเกือไเลยงั้ได้โกรธเขาไง มันต้วิ่งวิ่งปล่อยวิ่งสุกวิ่งเยึดยิ่งทุกใช่ไหมคะได้คำตอแล้วใช่เขาต้องงานเลผู้ชายเกินแทบตายเพื่อเข้าใจเข้าใจหนาแล้วพอปล่อยแล้วพอมันมันยังไงมันก็ต้องดูแถบมือเราไปในที่สุดเลย เวลาจากโลกนี้ไปเราเลยไปได้บ้างเอาว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เกิดจากเราเองแต่เรายึดเราติแล้วก็เอาความยึดติดไปมากเอาความเนือความโกรธไปมากถ้าเราปล่อยเร า, า, า, า, า, า, าก็เอาความเอาเอาเอาเบรกขาไปมากเอาความปลอบวางไปมากไปเกิดชาติหน้าเราก็จะยึดติดน้อยลงไปเ่ตามเวลาจนในที่สุดก็จะไม่ยึดติดอะไรเลย เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ได้บงเพ็ญมาก่อนจะออกจากวังได้เลยมีใครจะออกจากวังน้องไงในสมัยปัจจุบันเนี้ยมีใครออกหลวงนล้นที่อยู่ในวังเนี้ยไม่มีหรอกเพราะเขาไม่ได้บำเพลงเขาไม่ได้ปล่อยวางมาในอดีตนะเนี่ยพระพุทเจ้ามีอดีตอย่างพระพทธเจ้าสั้นัลป์ประวัของท่านแล้วก็ได้ยินแล้วท่านท่านปล่อยขนาดไหนท่านสละขนาดไหน ท่านทำใหการออกบวชของท่านี่มันไม่ยากเลยเอายุยี่สิบเก้าปีท่านก็ไปแล้ว<ม>คนที่เคยทำบุงเสียชละมนอยู่เรอยปล่อยเื่อยนีออกบวดได้ง่ายยบนะู่ขางใช่ไ่ก็ออกได้<ม>ท่านชะละภรรยาให้ผูดกันทำไมยากทาไมท่านทาได้เพราะท่านมีปัญญาท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าโสดะดีทำไม มีภรรยาแล้วต้องมากังวลว่าจะไปนอนกับใครคือีช่ไ้มมีความสุขที่ไหนช่วตัดไปนีกว่าตัดไปแล้วก็จบอยู่คนเดียวไม่ต้องมากังวลกับใครถ้ากังวลกับเรื่องของเราว่าทำยังไงให้มันเป็นอุปเลขาให้มันปล่อยวางให้มันยอมหยุดเย็นเทราะนั่นเองพอมันยอมหยุดเย็นได้แล้วมันก็สบาย เนเราใช้สูตรนี้ก็แล้กั น, นเวลาเกิดปัญหาแล้วาถามเรายอมหรือเปล่าเราหยุดหรือเปล่าตอนนี้เราเยนหรือเราร้อนถามตัวเราเองเนึ่งถ้าเราร้อนเราไม่ยอมใครพูดไม่ดีเ ร, เราต้องไปไปหาเรื่อ ง, ของเขาไปเรียกร้องค่าเสียหายใต้องมาขอคำลาลาโทษต้องมาอะไรต่างๆแต่เขาไม่ยอมก็จะต้องหาวิธี เห็นค่าเขาไอันนี้หนึ่งใจของเราก็จะร้อนขึ้นเป็นยักษ์เป็นมาเป็นนรกเป็นไฟขึ้นฮะถ้าเราบอกว่าผ่านไปแล้วเขาทําอะไรมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนเมื่อคืนนี้เราฝันร้ายตื่นขึ้นมามันก็จบแล้วแล้วก็อยู่ที่เราก็ดําเนินชีวิตของเราต่อไปมีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทําต่อไปแล้วก็มองไปนานเพราะว่าเดี๋ยวก็จบ มันก็หมดปัญหาแต่ไม่มีปัญหากับใครเล้คนอื่นเขจะมีปัญหากันลองนี่เราไปห้ามกันไม่ได้แต่เราไม่มีปัญหากับเขาเราก็อยู่กางกลางความถูกต้องขแล้วกันอยู่แบบไม่นั่งไม่โกรธไม่หลงจะไม่มีปัญหาแต่นั้นไม่มีปัญหาในตัวเราเองแต่คนอื่นเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเขาเพราะเขายังมีโรคป่วยอยู่ อันนี้เท่นดีนะเจ็บสงบนะไม่ใช่พูดถึงเรื่องอุเบกขาว่าท้ขาล่างกายเราถ้ามันเจ็บมันป่วยอยไางนี้เราก็ดูแลมาตางอัตภาพเหมือนใช่ไหมก็เหมือนเสียงดังมันก็รับเสียงดังบางคนเสียงดังก็จะมีปฏิกิริยาไม่ชอบลำคาบบางทีก็จะต้องไปหาว ยุติเสียงนั้นเพราะใจนี่เป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขารว่านะมีเสียงดังก็ดังไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้เราไปเป็นไม่ชอบกันเองถ้าเราชอบมันก็ไม่มีปัญหาคนที่เขาเปิดเสียงเงดงังแล้วเขาชอบคก็ ม, มีคนที่ฟังเพลงที่เราไม่ชอบก็มีทำไมเขาฟังได้ทํามเราฟังไม่ได้เราฟังไม่ได้เพราะใจเราไม่เป็นอุเบกขาที่เขาฟังได้เพราะใจเ ข, า, ขาชอบถ้าเราอยากจะ ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ชอบอย่ที่หัดชอบนี่เอมันก็มันก็จะไม่เป็นปัญหาคือมันก็ทําได้สองอย่างชอบมันหรือทําใจให้เป็นอยู่โดยธรรมหรือเจ๊เไม่ชอบไม่ชังก็รับมันได้หรือถ้าชอบมันก็รับมันได้เช่นเวทนานี้เจ๊เฉยเนี้ยที่มันที่เราทนไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบมันใช่ไหมถ้าเราชอบมันเราก็ทนได้แล้วก็อยู่กับมันได้ยกตัวอย่างคกินพริกเผ็ดๆนี่กินของเผ็ด ถ้าก็ชอบทําะทำไมเขาเขาเขากินได้สบายแล้วคนไม่ชอบกินไม่ไดมันก็คนเหมือนกันลิ้นก็นิ้นเหมือนกันใจก็ใจเหมือนกันต่างกันทำไหนต่างตรงที่มันชอบหรือไม่ชอบหรือมีอุเบกขาไม่มีอุเบกขาที่เรามาฝึกนี้ก็เพื่อที่จะเอาใจให้เข้าอยู่ตรงกลางระหว่างชอบกับไม่ชอบคืออุเบกขานี่มันดีกว่าชอบมันไม่ชอบเพราะถ้าชอบแล้วเกิดเสียไปมัน มันก็เสียใจมันก็ทุกอถ้าไม่ชอบไปไปเจอมันเข้ามันก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่เบคดานนี้มันได้ทั้งสองอย่า ง, งถ้าพูดทางเพศก็เป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายนะ้ <c oughs> ชอบทั้งหญิงชอบทั้งชายเถ้าไปชอบอย่างเดียวถ้าต้องไปเจออย่างมันก็ไม่ชอบถ้าคนบางคนก็ถึงชอบทั้งหญิงทั้งชายเนีไง พูดถึงเบกขาเนี่ยข้างบ้านลูกเหมือนเขาก่อสร้างใช่ไหมคะตอกเสาเข็มดังก็ควรมากเขาตอกถึงเที่ยงคืนเนี่ยสายสะพอดร้าเข้าไปห้องอุเบกขาไม่ไหวเพราะเราไม่ยอมมันไม่ยอมไม่หยุดมันก็ไม่เย็นพอเวลาใครฟังบอกไปแจ้งเขตเลยมาหาหาเราต้องบอกให้หยุดไงให้ยอมหยุดไม่ยอมแค่ทำใจเป็นอุเบกขาคือหัดชอบมัน ดีว่าได้ยินเสียง แ, แปลกๆว่างคิดถึงต่อไปเวลามันไม่มีแล้วเราจะเสียใจจะเนนสียใจไม่ต้องเสกไฟตัวเอไม่อยาย้อนอาจารย์ไม่เชื่อว่าคนที่เขาอยู่ทำไมทาไมเก็อยู่ได้คนที่เขาทากำลังทางานอยู่ร้อนลงมาไหมไม่คนที่เขาทำเนี่ยไม่เหลือนอนหรอกคนทำแบบนี้ใช่ไห ก็ไม่เดือดร้อนทำไมเราไปเดือดรออนแล้วก็ทาใจเราให้เหมันเข้าสิถ้าเราใจเหมือนเข้าได้เราก็จะไม่เดือดร้อยเหมือนใคร่แต่อย่างนี้แปลว่าเราทำอะไรก็เหมือนเหมือนก็ดูดาดูดีอ่ะว่าปล่อยให้ต่างๆอย่างนั้ไหมระวังความเฉยเมยนึกาพกับความเฉยเมยกับข้อเบรคขาเนี่ยมันมันเส้นเส้นเส้นาบก แต่ว่าถ้า เ, เราไปบอกเขาให้เขาหยุดเนี่ยเขาเขาไม่หยุดนี่เราก็ทุกต่ออีกนะเนีายก็คาดหวังว่าให้เขาหยุดเราไม่โอเบคาแล้วนะพอเรามันีสังขารดวงต่างเดียวกันเรื่องนี้เราแสดงว่าเราไม่มีอเบคาแล้วถ้าเรามีโอเบคาเราก็เฉยเรื่องของมันเห ม, ม, มือนเรามีโอเบคาแบบแสงอาทิตย์เราไปสัง่งเราไปอยากให้ให้มีแสงไม่มีแสงได้หรือเปล่า เวลามันร้อนเราสั่งบอกให้ให้เบาหน่อไม่ได้คนเราร้อนเล้วเกินไม่สั่งไม่ได้อะทำไมพออันไหนเราสั่งไม่ได้เราก็ยอมมันได้ทำไมกับอาทิตย์เราทำไมยอมมันได้มันจะส่งแสงสว่างจ้าขนาดไหนหรือจะมีเมฆมาปกคลุมแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรเหมือนเราก็รับเหมือนได้สมมติว่าท่องต่อแบบนี้แล้วเราเบรกขาเป็นเดือนๆถ้าเราทําได้แต่ว่าเราใช้ได้อยู่จะไม่ใช่ไหมน่าเลย แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเราอยากจะอยู่อย่างแฮปปี้อย่างแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้คราไม่ก็ถามอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ตอบคำถามของตอนอย่างสรุปลงไปแล้วว่าต้องยอมต้องต้องปล่อยต้องวาง <c oughs> แล้วยังมาเลย่องที่โผล่ขนะึ้นมาเผลอเผลอสัญญาว่ามันเป็นสัญญามันเป็นความรู้เป็นสัญญามันไเป็นปัญญา ไม่ควรถ้ามันเป็นทางรู้จริงมันจะมันมันจะไม่เปปัญหากับอะไรต่อมันรู้ทางสัญญารู้รู้ทางปริยัติรู้ว่าต้องปล่อยแต่พอเจอเหตุการณ์จริงแล้วก็ยังป่อยไม้ได้เรื่อพวกเราก็เรียนรู้ก็มีสองระดับความรู้ของเราเลี่ยนใหญ่มันยังอยู่ในระดับของปริยัติ อย่างความจริงมันต้องเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตนถึงจะเป็นความจริงจะดี้แต่บตกไมใช่มีต่แนงก็ต้องศึกษาพิสูจนก่อนเพื่อที่จะได้เอาพิสูนนี้ในทางในการปฏิบัต วันนี้เรารู้แลวว่าเราต้องดูอะไรให้เห็นว่าเป็นอนิจังทุกขังอนิจจังเพื่อที่เราจะได้ทํำใจเราให้เป็นอุเบกขาทีนี้เราก็ต้องไปทดสอบนะเนี่ยไปเลยที่ที่เข้ามาแสงสว่างของเสียงดังเนี่ยก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยแนละ้วดูชื่อว่าทําใจเราให้เป็นอุเบกขาได้หรือเปลหรือใครจะมาแย่งทรัพสมบัติีแย่งอะไรของเราไปทําใจได้หรือเปล่า คืออูเบกานี้ก็ไม่อยอมนนะครับอุเบกาแบบไม่ทําอะไรยอย่างที่บอกจนไม่ต้องจะมาแย่งสมบัติต่อไปถ้ามีวิธีการที่เราจะรักษาได้เราก็ทําตามวิธีการนั้นไปเพื่อจะทำขึ้นสารกันก็ขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อสารตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่หลอกต้อง ต, ตกเป็นของเขาไปก็เอาไป แต่ตลาดเวาใจเราก็เป็นอุเบกขาแต่เมื่อเรายังมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้เราก็ใช้สิทธิ์ของเราไปเท่านั้นเองพอใช้สิทธิแล้วมันไม่ได้เป็นผลตามที่เราต้องการเราก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี้กรณีย่านี้ก็จะไปไปฟ้องเคยก็อย่างทอทําได้ใช่ไหมจ๊ะได้แต่แล้ว่าผลจะเป็นยังไงเราคงต้องวางใจว่าก็าเองยอมรับผลที่เกิดขึ้น เขาว่าไงก็ต้องว่าคนไม่อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้เลยราข้า ม, มาบางังอไอเงี้ยมีมมมมตัไปองเลามาซื้ออะไรมาปิดหูเเป็ น, นมีสามเพื่อที่จะม า, มาแก้ปัญหาเรื่องอภิกรต่างๆเรื่องความอย่า ง, งน้ำตาลถึงเรื่องของความเอารัดาปรียบของบุคคลบางบางกลุ่มบางคนอันนี้เราอป็นมืสามเป็นที่พึ้นได้ แต่เราต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานใจยอมทางใจแล้วเราก็ต้องยอมหยุดเยืนไนก่อนนะมันจะเออกมายังไงก็จะยอ ม, มก็หยุดยืนไปส่วนทางโลกเราก็ทําไปตามตามขั้นตอนของทางโลกเก็ใชนร้องเรียนได้ก็ร้องเรียนไปฟ้อง้องได้ก็ฟ้องร้องไปแต่ว่าจากเด็ดปีที่แล้วกับเด็ดปีนี้ เวขาต่างกันวีขึ้นเวลไม่เห็นเจ็บีไม้เห็นนะมันเพิ Madame, ่มมาปีละปีป an> ีปีปีปีปีปี่ีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีอีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปปี ถ้พดีขึ้นทัพีเกิดเจ็ดเดือนโดยถ้าเดือนก็ก็ปกติถ้าดีขึ้นก็ก็ไม่ขาดทุนก็ได้กำไรถ้าเป็นทัพเียร์ในม้อแกงก็เท่าเดิมหรไม่ดีขึ้นถ้าเป็นนลี้ยกับเลี้ยงกับวถดของอาหารนั้นก็มันก็จะลองดีขึ้น กาทําก็มีฟังแบบสองแบบเนี้ฟังแบบพับผิวมือหม้อแกงเรือฟังแบบลิ้นกับกับรถถ้าลิ้นกับรถเนี่ยมันทําผ่านไรปั้งมันจะรู้สึทันทีการทำถ้าฟังด้วยสติด้วยปัญญาให้ควรมันก็จะเข้าใจ ท, ทันทีมันก็จะมีผล ท, ทันทีเกิดขึ้นในใจ ท, ทันทีทำใจได้ผลที่เราต้องการก็คือการทําใจให้เป็นอุเบกขาอย่างนี้หมดที่ถดถอยก็อยู่ตรงนี้ จะเป็นมือเบรคค้าได้ก็ต้องฝอยก็ต้องยอมต้ออนแล้วมันก็จะเย็ยนถ้าดูตรงนี้กันว่าความยอมหยุดเย็นของเรานีน้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงไปถ้าเรายอมมากขึ้นหยุดมากขึ้นเย็นมากขึ้นก็สแดกดสแดงว่าเราก้าวได้แสดงว่าเรากำลังเจริญมากเกิ่มักตั้องจเจรินให้มากเพรายอมหยุดเย็นนี่ก็คือใ่โรอดนี่เองใะ ถ้าไม่ยอมไม่หยุดไม่เย็นมันก็แสดงว่ากิเลสทํางานมากขึ้นปัญหาทํางานมากขึ้นไม่ยอมต้องเอาให้ได้อย่างใจนี้ก็ไม่ยอมมันก็จะร้อนขึ้นอยึดสามย่อไว้อันนี้เราก็ไม่ได้เลนค้ามคิดด้วยเองเคยอ่านในหนังสือธรรมะเล่นหนังไม่ได้เขาเปียนยอมหยุดเปลี่ยนเราก็มามามา เราพิจารณาแล้วก็แปลความหมายแล้วมันคงจะเป็นอย่างนี้นยอมรับความจริงยอมรับสภาวะทั้งความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดพอยอมรับแล้วมันก็จะมันก็จะหยุดต่อต้านพอหยุดต่อต้านแล้วมันก็จะเล้งเพื่อทางรู้เสด็จทางหมอ หมอเขาเรกจิตแพทย์นี้เขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้คนเราเวลาเกิดเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่ศู น, นย์เจอะไรเราต้องมันจะต่อต้านแต่ไม่ยอมแล้วจะต้องเ้องทําไมทําไมต้องเกิดขึ้น อ, อย่างนั้นอย่างนี้แล้วกายจะทุกข์ทุกวันแล้วต่อไปเมื่องานามันก็จะยอมพอมันยอมแล้วมันก็จะหายทุกข์แต่ต้องใช้เวลา พราะไม่มีปัญญามันต้องปล่อยให้มันแผหายของมันเองไปตามธรรมชาติคือมันไม่ยอมแต่แล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นได้ด้วยงารท่อานเข้ามันก็ต้องยอมไปเองพอมันยอมแล้วมันก็จะหยุดหยุดที่จะหาถามหาคำตอบถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นแล้วมันเป็นใี้ในที่สุดก็ยอมเพราะมันไม่มีคําตอบ ข่าวก็คือมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอพอเริําไปอยุ่ทำตัวเองแล้วมันก็จะหายทุกบางคนก็หายเร็วบางคนก็หายช้าเรียก ว, ว่าแพ้หัวใจแพ้หัวใจแพ้ใจแต่ถ้าเราคนที่ปฏิบัติทำนี้ก็จะหายเร็วเพราะมียาใสา่มีธรรมโอสถบางคนนี้ไม่เป็นเลยเพราะมียาคอยคอยคุ้มกันในภูมิคุ้มกันแลนะ้วะ คนที่วิจัยงานอนิจจังทุกข์ังหน้าตาตลอดเวลาเนี่ยเป็นคนที่มีภูมคุค้มกันอยู่พอเกิดเหตุการณ์ของอนิจจังทุกข์ั้หน้าตาเกิดขึ้นมาปั๊บก็จะไม่ไม่ไม่รู้สึกเดือนอยอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ครู้จารย์ทีส่สอนเนอกว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ โลกจากการท้าทายจากการรทำไม่ได้เนี่ยทำคาถานี้ทุกวันเลยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้มนมานี้มันก็จะรู้รู้ทางรู้ทางมันจะไม่ต่อต้านจะไม่มันจะยอมยอมรับความจริงลูกแต่ก็รู้สึกนะคะอย่างหลวงตาเรื่องหนูตาก็รู้อยู่แต่ทุกครั้งที่เมบอกว่าหลวงตาติดหนักขึ้น แต่แต่งก็คิดว่าพึ่งตอนนันพุทธเจ้าท่านท่านท่านจะไปพระนรนยิ้มเนียวประตูร้องไห้นะคะก็เรื่องขอยู่ที่ว่ากิของท่านท่านยังไม่ไสัพปัญญามท่านยังไม่ไม่ไม่เร็วท่านยังมีกิเลสยังมีอุปทาน แต่ท่านก็ไม่ถึงกับศสียหลักเหมือน<ม>เหมือนคนที่ไม่มีสติปัญญาเลยท่านก็จะมีความรู้สึกชื่อขณะนั้นเท่านั้นเองประเดี๋ยวท่านก็สามารถที่จะตั้งสติใหม่ได้ดําเนินต่อไปได้แต่บางคนนิ่มแล้วแบบไม่ลุกเลยมันเกียดจะเดินยัง <c oughs> เดินไม่ไหวเลยได้คนหิวปิดเดินเวลาเสียใจมากมาก แต่ถ้าจะเสียใจบ้างชื่อระยะชื่อขณะแล้วเดี๋ยวก็ตั้งหลักใหม่ได้นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยปฏิปัญญากลับมากู้กู้กู้จิตของตอนเองได้บางทีบองครั้มันก็ยังเผย ไ, ได้าาาก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันี่ยพระนนท่ก็ยังไม่ได้เป็นพระนะท่านก็เป็นเพียงาระสุนดาวัน ท่านก็ยังเถอะท่านก็ยังไม่ได้พิจารณาเรียนต่อนี้เพราะท่านจะคิดแบบทางโลกก็คิดแบบทางกิเลสเข้ามันก็เกิดความเสียใจขึ้นมาง่ายทีแต่ถ้าท่านคอยคิดอู่แบบว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรน่ยพระเจ้าก็นั่งดูร่างกายของท่านอยู่เนี่ยเราดูล่างกายของท่านอยู่พระเจ้านั่งยิ้มดูร่างกายเรามานั่งร้องไห้อยู่ร่างกายท่านทำไถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะยิ้มได้เราก็จะไม่ร้องไห้ ควาิงอ่ะที่พระพุจนั่งดูร่างกายอานรย์ท่านร้องไห้ปะถ้านไม่ร้องไห้ถ้าไม่เสียใจถ้าไม่เสียดายร่างกายอาจารย์ลูกยังไม่ค่อยเข้าใจที่ที่บอกว่าเป็นโสดาคือถ้าเป็นโสดาคือยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าถ้าเกิดมีใจลักษณะ ข, ข, ของการนอนนี้คือนใน ช, ช่วง ขนาดนึงเนี่ยคือเหมือนท่านยอมรับไม่ได้เลยจริงๆคือท่ายอมรับได้แต่จิตของท่านยังมีเพลเยตจิตที่ละเลลอียดเอวิชาต่างๆมันยังมีอยู่ภายในจิตของท่านอยู่ที่ยังทําจิตั้งใจของท่านให้เศร้าหมองได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านไม่ยอมรับหรือแต่ ว, ว่าจิตของท่านนี้ยังไม่บลอสุดยังมี มีความสุขมีความทุกข์อยู่กับเหตุการณ์ที่มาสัมผัสนับรู้ยคือการเป็นโสดาบาแนีเน้เป็นการเพียงแต่เป็นการยอมรับความจริงของของอนิจจังของร่างกายว่ามันจะต้องตายไปแต่มั่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เศร้าโุขท่า น, ท, านท่านจะไม่มีความรู้สึกทุกข์ในทางจิตใจแต่ท่านจะไม่ทุกแบบปุทุชนที่ทุกข์กันร้องหง่มร้องไห้ววายือ ไม่มีสติสตางควบคุมจิตของตนนี่ท่านในแต่ท่านท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าท่านยังมีความยึดติดอยู่ ม, มีมีโลกโกดหลวงที่ละเอียดอยู่ภายในจิตของท่านอยู่ที่แรนมันมีหลายระดับไงคือโลกโกฎหลวงที่อยู่ภายนอกกับราบยึดจัลสังสุปกับร่างก า, ายของคนอื่นมีก็ส่วนนี้แล้วแล้วเข้ามาเคียก็มาอยู่ที่ รูปริยานาสัญญาสังขารยญาของตนแล้วก็เข้ามาระดับนี้แล้วเข้ามาในจิตมีภาะอรันนั้นที่ท่านท่านสามารถที่กำจัดความความความยึดติดในทั้งสามส่วนนี้ได้เพราะส่วนดาวมันนี้ท่านสละท่านไม่ยึดติดกับทางรูปรูปประขันคือร่างกายได้แต่ท่านยังมีความยึดติดกับความรู้สึก หรือเวทานาในจิตท่านยังไม่สามารถวาควบคุมจิตของท่านให้ให้ให้เน่งได้ตลอดเวลายังท่านที่ของผู่มั่นวะนภาพหลวงตาก็ยังลองะไรอย่าง้ตอนน้หลวงตาท่านรอท่านยังไม่สำเร็จท่านกายจะสำเร็จไหก็สูงกว่าโสดาบานเลย ก็ไม่ทราว่าท่านอยู่ท่านไหนแต่ท่านตอนนั้นท่านก็ลาวะทำนนท่านอยูเวสสิทธิ์ท่านจะมาเสร็จแล้วตอนหลังจากที mm ่หลวงปู And, wow, s right. <S anne, ่มท mm ่านสวยเสร็จแล้วท่านก็ไปไปภาวนาอยู่ที่วัดดอยองดดอยวัดอยนั้นท่านอยู่บนจุดิ่มต้นของตึกสนามธรรมคามสว่างสวรของจิตถ้าท่านรอแล้วอย่างนั้นท่านก็ไปที่ดงสาเดือน เอกจากวัดดอยไปที่ดือนสามเดือนแล้วกลับมาวัดนั้นค่อยกลับมาที่วัดดอยที่นั่นบอกว่าําได้คําตอบที่วัดที่วัดดอยแล้วถ้าแบกแบกไอตัวนี้อยู่สามเดือนถ้ามีหลวงปู่มั่นถ้าหลวงปู่มั่นยังถ้าไปเล่าถึงไอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ที่เกิดจาระทำที่เกิดขึ้นนี้หลวงปู่ั่นท่านก็จะแก้ให้ได้ในตอนนั้นเลยท่านก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะท่านไมรู้ว่าจะไปแก้ปัญหาตรงไหนถ้าหลวงปู่หลวงปู่ั่นอยู่ท่านก็จะที้จุดให้เลยว่าจงแก้ตรงนี้ตลอดวันเนี้การที่มีผู้รู้มีอาจารย์กับไม่มีเนี่มันก็ต่างกันตรงนี้ ถ้าไม่รู้ว่าต้องไม่มีคนคอยชี้บอกก็ต้องคอยหาหาเองลองผิดลองถูกดูตัว น, นส้สนนั้นก็ต้องรู้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในอยู่ในกระแสแล้วตั้งแต่ท่าโสดามันขึ้นไปเนี้ยจะมีอาจารย์ก็ได้ไม่มีก็ได้ยังไงยังไงก็ต้องถึงพ้นผ่านยแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วถ้ามีอาจารย์นีาา้ก็จะเร็วพท่านจะบอกบอก จุดแต่และจุดให้ฟังว่ามาถึงตรงนี้จะเป็นจะมีกลับดักตรงนี้จะต้องทอํายังไงมาถึงตรงนี้จะมีกลับดักเพราะงั้นจะติดอยู่ทุกทุกจุดไปนแต่พอมีคนคอยลอกพอมาถึงจุดนี้ครับเราก็จะรู้พอมาถึงจุดนี้ครับเราก็จะรู้แล้วเราก็จะแก้ปัญหาตรงตรงจุดนั้นได้เลยมันก็จะไปได้อย่างนี้เลยเหมืนคนที่บอกทา ง, า, งอางนี้่ยมาถึงแยกนี้ให้เลี้ยวซายหรือเลวขวามาถึงแยกนี้ให้ไป ไปตรงเนื้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีมีคนบอกเราถ้าไม่รู้มาถึงนี้ก็จะไปทางไหนดีซ้ายดีหรือขวาดีแล้วตรงไปก็ต้องลองดูถ้าลองถูกก็ไปเลยถ้าลองผิดก็ต้องช่างไปทางนี้ผิดเดี๋ยวก็ต้องถอยกลับมาพระพุทจา้าเาลองอดอาหารตักงสี่สิบเก้าวันเพราะไม่มีครูสอนเยก็ลองถอยกลับมา ถอยกำลัง น, น, นี้ทางนี้ทางนี้มันตันทางานี้ไปแนละ้วมันไม่ไม่สำเร็จก็ต้องถอยกลังมันตันกันตรงนี้เพราะพุทธเจ้าถึงยากที่สุดเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครรู้ทางนี้มาก่อนแต่พวกสาววงนี่สบายเลยตับโคตรตับชาติได้เป็นไม่รกี่แสนกี่ล้านชาติพร้อมที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าถ้าไม่เจอพระเจ้านี่ก็ยังต้องลองเข็นต่อไปต้องข้าทางต่อไป แล้วถ้าไม่มีบุญบารมีในระดับของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธญาณเนี่มันไม่มีทางที่จะบรรลุ ม, มากกว่านิพพานได้มันก็จะต้องรอโอกาสแล้วได้เกิดในสมัยที่มีพุทธศาสนาอย่างสมัยพวกเราเนี่ยโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องขำทางมีแผนที่มีถนนทำให้เราเพีเยงแต่เดินไปท่านั้นเองเดินตามถนทนที่เขาเขาทําให้เรา่ะ ทางออกจากป่านี่เมื่อก่อนไม่ the in มีทางออกไม่รู้ทางออกอยู่างไรหนงหนงอยู่ในป่านี่มาไม่รู้นานนะหาทางออกอย่งก็หาไม่เจอมันก็จะวนไปเวียนมาอยู่ในวงวงกลมนี้แหละอต่พอมีคนรู้จักทางทําทางให้เราเดินนะไม่เดินก็มันไม่จะทํำเลยก็ยังอยากจะหลงอยู่ในป่านี้อย่างพวกเราทุก ว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสทองจริงๆนถ้าเราอยากจะมีุพ้นอยากการอยนว่าการเกิดอยากจะนำลุลับผลุพานเนี่ยมีแค่นี้แหละมีพุทธศาสนาที่ยังมีอายุอยู่อยู่อีกถึงประมาณสักห้าพันปีเนี่ยคือตอนนี้ก็มาครึ่งหนึ่งสองพันกว่าสองพัน้าร้อยกว่าแล้วก็เหลืออีกประมาณครึ่งถ้าหลังจากหมดนี้ไปแล้วนี่ถ้ามาเกิดใหม่อยากจะหามาผลุพานว่าไม่มีทางนอกจากเราเป็น โพธิสัตว์เราสามารถที่จะหาทางได้ด้วยตัวเราเองใช้ไเมี้นก็ต้องรอไปจนกว่าจะไปเกิดแล้วไปเจอพระพุทธศาสนาในช่วงนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายก็ดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆต อ, อนนี้นถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว โอกาสที่เราสามารถที่จะบรรลุมรรผลนิพได้ภายในในเวลาไม่เกินเจ็ดปีพระพุทธเจ้าทรงทรงรับประกันแล้วจะเล่นสติให้มากเจะเล่นสติในปฏิฐานในสติปฏฐานสีเส้าถ้าส่วนนี้ให้ดีแล้วพยายามปฏิบ 3, ัติตามส่วนนี้ให้ได้ลองไปอ่านหน่ยแล้วเราไปปฏิบัติตามดูนับลองได้ว่าไม่เกินเจ็ดปีที่พระเจ้าทรงทํานายทรงพยากรณ์ไว้อย่างแน่นอน พระเจ้าไม่เคยโกหกใครแม้แต่พระนุ่ยังยังกังวลอยู่ว่าจะสําเร็จได้ไงภามในสามเดือนนี่ก็เลยแค่กี่ชั่วโมงมันก็ยังไม่สําเร็จสักทีจนนาทีสุดท้ายแล้วจัไม่สําเร็จแน่ๆนั้นถึงจะสาเร็จเพราะตอนั้นใจไม่ไปอยเดขาใจไม่อยู่ปัจจุบันใจไปกังวลกับอดีตคือคําพูดของพระเจ้ากังวลกับคําพยากรณ์ คามูุ่จะเจ้าหรือว่าจะเกิดขึ้นในภายในสาเดือนใจเลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบให้จิตกลางให้ปลดวางไปยึดไปติดอยู่กับอดีตกรรมานากรพตอที่เถิดพอพอป่องได้แล้วอะเป็นใจได้แล้วจิตก็กลับมาอยู่ปัจจุบันพอจิตมาอยู่ปัจจุบันก็มันก็หลุดเลย เชื่อคำพูดของแม่เจ้าเถอาเนี่ยผเรามีสิทธิ์เนี่ยภายในเจ็ดปีทุกค น, น <c oughs> ต้องปฏิบัติตามที่สอน้ว้นะตั้งแต่เต่นขึ้นมาจนหลักเนี่ยให้เจริญสติอยู่ทุกขณะเลย <c oughs> ถ้าจะทำได้ก็ต้องออกบวชต้องทดูจับสามีตัดภรรยาต <c oughs> <c oughs> ัดทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองต่าง แล้วก็มาเจริญสติปิญญาตายรักในรูกก้วิจารณาปัญญาสังขาิยมยางรับรองได้ไม่เกินเจ็ดปีงานนี้สำเร็จได้ถ้าไม่งั้นต้องรอไปอีกวันน้กี่กี่กลับกี่กัรเนี่ยเราตายไปแล้ว ก, ก, ก, ก, นนาา ก, กลับมาเท้าหน้า ไม่รู้ว่าศานะพูทธยังจหลือยู่หรืปล่าเพราเราไม่รู้จะต้องไปใช้กรรมที่ไหนบ้างไปรับบุลที่ไหนบ้างอย่างอาจารย์ของพรเจ้าสองพระองค์ท่านเจ้าทรงกลับมาทรงเสียดาว่าเพราะกาลเขาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้พวกศาสนาพวกนี้ก็ไม่ก็หมดไปละเพราะไปเป็นธมนี้ก็มันเป็นเวลาเป็นหนุ่ม็นตาสนานี่มีอายุเป็นงห้าพันปี การมาเกิดใหม่ก็ก็เหมืกับการมาเกิดในสมัยที่ก่อนที่จะตายในสมัยที่ไม่มีพระพุทธญจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องทําได้อย่างมากก็มานั่งสมาธิเข้าฌานแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมก็ขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้แต่ยังยังไม่ยเดติดการเวียนว่าตายเกิดถ้าไปเกิดในในใน ในเหตุการณ์ที่ทําไม่ไม่สามารถทําให้ปฏิบัติทําได้หรือต้องไปทําบาปทํากรรมขึ้นมาก็ อ, อาจจะไม่ต้องไปใช้กรรมใน้ัน อ, อบายกัอีกก็ได้เพราะไม่มีอะไรแน่นอนจิตที่ยังไม่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่จะยังไม่รูุ้ดจากอบายไปเพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เราไปเกิดเราไปเกิดในสภาพไห น, นถ้าไปเกิดในสภาพที่แรงแข็งต้องฆาจบตัดชีตนี้เราก็ไป ท, า ท, ทาําบาปทํากรรมละเช่นนเชา ชาวประมงทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเขาาเไปสั่งให้เขามาเกิดอย่างนี้ได้เนียเขาก็ไม่ได้พอเขามาเกิดอยู่นี้แล้วคนเขาทำอย่างนี้เขาก็ทาตามไม่มีใครบอกว่าเป็นบาปเป็นกรรมเขาก็ทาตามกันไปพอทำไปแล้วจะไปอ้างว่ารู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่มมเป็นข้อข้อขอย่างทําทำกรรมไปแล้วเราก็ต้องไปรับใช้กรรมต่อถึงไม่จะลงมาจากสวรรค์ขั้นข่ม พอมาเกิดเป็นลูกลูกของชาวประมงนี้ก็อาจจะไม่ทําอาชีพประมงต่อไปก็ไนดะ้ก็ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วจะมาเกิดแล้วจะมาเป็นนักบวชทนมันไเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักบวชมันต้องเป็นเด็กก่อนนะก่อนจะโตขึ้นมานี่ช่วงที่จะโตเป็นผู้ย่างนี้นก็าจจะไปต้องไปยิงนกตกกลาไปหาอาหาร ไปท่าจับตับชีวิตเพื่อมาเล่นต่างเืเ่งทองพอตายไปไอ้วิบา่าวนี้มันก็จะสามารถส่งให้ไปเกิดเป็นเบลัจานก่อนก็ะด้แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ม่นนั่งพยายามพยายามเอถอดแค่เจ็ดปีทุกหนยนแค่เจ็ดปีแล้วสบายไปตลอดจนถึงวัน คนสุดท้ายของชีวิตเลยไม่ดีกว่าเนื้อทุกข์ ก, ก, ก, กขับทุกข์สุดทุกข์กกับสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้ผดัดใจทุกบา้างทุกบ้างแล้วก็มีมวันสิ้นสุดที่จะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังคือยอมยอมเข้าห้องผาตาดแล้วให้หมอเข้าผ่านเราแพ้ออกไปดี่ใดา่าเราเรี้ยงออกไปแล้วหายขาดในโลก ถ้าเอามาเลงของความโลภความโกรธความหลงนี่ออกไปให้เราไปจากใจแล้วทีนี้ก็หายเจ็บหายหายทุกข์ไปตลอดถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวมันกรับเวลามันกำเนิด ก, ก็ทรารย์ใจเวลามันไม่กําเนิดก็มีความสุขใจนพอเวลมันกําเนิดขึ้นมานมื่อเก้าหทุกข์ทรมารจ์ใอยากจะตายไปด้วยทรรแต่บางคนเวลากินเลสมันกําเนิดขึ้นมาเนี้ยมันไม่มีไม่รู้คำ อยากจะอยู่เลยมีความอีกนาละอายใจดือนายท้อแท้หมดกำลังใจนี่เป็ น, นของ่างของเกลีเ่านั้นไม่ไ่อะไรอนถ้าพั้งใจปฏิบัติเนี่ยวันวันนึงก็เปล่งมึ้นมาอยู่คนเดียวเดินจงขอบหน้าสมาี่ควบคุมจิตแม่ไปคิดอะไรถ้าจะคิดข้งหนึงคิดแต่เรื่องนี้จังทุก ข, ข์กับวัฏตะ แค่นี้บางทีไม่นานหรอกทำไม่ได้แค่นี้ไม่ะเป็ปแบกของหนักของอะไรเลยอย่างมากก็ทำงานหน้าที่อยู่ในรปัดกวาดถ้าไปอยู่วัดก็ทำหน้าที่ปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิสระละก็ทำไปก็ปฏิบัติ ไ, ได้เพราะว่าปฏิบัตินี้เขาไม่คุยกัน การตุกต า, ากิตเวลาทํางานนี้ก็ให้มีสติอยู่กับการงานในตนอันนี้ก็เป็นการจเจริญสติไปในตัวสติปัญฐานนีเป็นการจเจริญสติปัญญาให้จิตอยู่กับร่างกายให้มีสติรู้อยู่กับการการเคลื่อนไหวของร่างกายการทํางานของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่แค่อยู่กับการงานการงานนนี้ไม่ใช่ทําไปแล้วก็คุยนไป ใช่อนี้ก็ไม่มีสติถ้าปฏิบัตินี้ mm hmm. เวลาเราไปที่วัดเห็นท่านทำํำงานแล้วเราที่ว่าท่านอาจจะโกรธกันนะเพราไม่คุยเลยนะ mm hmm. ลเนี่ยบางคนก็ต่างทํำลงไปสังเกตดูนะในว่าปฏิบัตินี้ถ้าจะทําอะไรนี้ท่านจ ะ, ะ ไ, นไม่คุยเลย mm hmm. ซึ่งก็เป็นของแสงเพระโดยธรรมดาของครารว่านี้เวลาทําอะไรก็ต้องคุยเรื่องไปด้วย mm hmm. เวลาพระท่านสัน่งง่ายไม่คุยกันเวลาไปดูญาติโยมฉันรับประทานโ อ, อ้คุยกันจอกแจ๊กจ๊อกแจ๊ก <c oughs> เวลาความแตกต่างระหว่างความมีสติตกับการไม่มีสติยกตัวอย่างให้ดูเ๋ย่ถ้าไคยยังไม่ได้สื่อทางสี่อเก็ มาเอาได้ที่หลันงนื้อเป็นรูเลี้ยงอยู่บ้างาาาเอ้ขลายก่อกเ่นี้ ดีใครมีคำถามด้วยไมครับตอนที่ถามพระอาจารย์เรื่องว่าทำยังไงยิ่งจะให้รู้เพรไม่มีตัวเราก็ท<อ>่านพระอาจารย์บอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วก็ปวดก็ไม่ให้ขยับใช่ไหมคะรุ่งก็ไปลองดูก็ประมาณสามชัว่วโมงกว่ามันก็ปวดมากนะคะอาจารย์แต่ว่า พอตอนหลังเนี่ยมันจะเห็นว่าไอ้ตัวปวดเนี่ยมันมันมีหลายตัวมันเกิดดับทีละตัวทีละตัวแล้วก็เกิดใหม่ซ้อนขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตัวผู้รู้กับตัวปวดคือตัวเวทนาตัวขานี่มันแยกกันเป็นสามจุดแล้วก็มันก็ดับไปเหมดค่ะพระอาจาย์พอเราพอดับหมดเนี่ยมันก็จะเป็นสุขแล้วก็เราก็จะดูมันแล้วมันก็เป็นเฉยเฉยเฉยเฉอยู่สักพักหนึ่งนาน ม, มาก มันก็จะเริ่มปวดใหม่งั้นถูกไหมจ๊ะครับก็ถูกอะแต่สิ่งที่เราต้องการจะเห็นนอกจากการการเกิด บ, บของเวทนา<ม>เห็นตัวจิตตัวรู<ม>้เห็นเห็นเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงวัตถุเร้ยังต้องเห็นอริยรสัจอยู่ใ น, ในขณะนั้งด้วยค<ม>ือ<ม>ต้องเห็นว่าขณะใดเวลาใดที่เรามีความทุกข์ขึนมานี เราต้องพิจารณาหาเห็นว่ามันเกิดจากอะไรที่ทําให้เราทุกข์พอเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการที่เราอยากให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไปถ้าเราเห็นอย่างนี้และเราสามารถที่จะละความอยากเหล่านี้ได้ความทุกข์ภายนใจของเราก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะเป็นอุเบกขาเกิด ในโลกคือความทุกข์มันจะลดไปแล้วใจก็จะสามารถมักรู้กับความเจ็บปวดต่างๆของของของวิถีาของร่างกายได้อย่างอย่างไม่สะทกสะทานไม่ไม่ไมดือดร้อนคุณ <c oughs> แต่ถ้าเรายังงั่งแล้วเรายังมีาอารมณ์รู้สึกดีใจเสียใจเวลามันเกิดขึ้นเรายังกระสับกระสานกระวนกระวายแล้วเวลามันดับไปเราก็มีความดีออกดีใจ สแสดงว่าใจเร า, ย, ายังยังไม่ได้ปล่อยวางเลยแต่ถ้าเราปล่อยวางมันนะมันมันจะมาแล้วมันจะไปเราก็จะเท่าเดิมเราต้องเห็นอริยสัจคือเห็นทุกขสมุม mm hmm. ทัยทิ่ร้อนมาถึงจะเรียกว่าเห็นเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมอาจารย์ะแล้วอย่างครั้งที่หนึ่งที่นั่งเราจะรู้สึกว่าเราเร า, เรามีโทสะเพราะว่าเราอยากให้มันหาย นะคะแต่ว่ามันก็ดับเพราะว่าเราทนดูจนกระทั่งมันดับแต่พอมาวันถัดไปเราเริ่มรู้ว่ามันมีดับได้จริงเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่มีโศกนะเค่ะเราก็มองมันแบบเฉยเฉยเฉยแล้วก็เหมือนจิตผู้รู้เนี่ยมันมันนิ่งนะคะเจ้าค่ะแล้วก็มันก็จะแยกกันให้เห็นสามจุดตรงนั้นนั่นถือว่าเป็นอุเบกขานหเจ้าคะ Là, ถ้าเราเห็นว่าโทรศัพท์เป็นตัวปัญหาถือความไม่อยากหรือความอยากให้ความเจ็บมีปัญหายไปความไม่ชอบความเจ็บถ้าเราเห็นว่าตัวนี้เป็นปัญหาแล้วเราเราละตัวนี้ได้ก็เท่ากับเราละสมุทัยได้ถ้าเราละสมุทัยไ ด, ไทยได้ทุกข์ก็จะดับก็จะนิรุตก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้ ก, ก, ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นปัญญา เราต่อไปทุกครั้งเวลาเราเจอเจอเวทนาเราก็จะเราจะไม่ไปดับตัวเวทนาเราจะมาดับไอ้ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวโทส ะ, ะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามีดวงตาเห็นธรรมเวทนานมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิว่าเวทนานี้่เราไปบังคับขาไม่ได้ไปสังขาไม่ได้แต่เราสัางโทสะของเราได้แล้ว เาห้ามไม่ให้ไปโกนหรือห้ามไม่ให้ไปรังเกียจหรือไปมีตะกี้ยาต่อต้านกับความเจ็บนั้นหรืออยากให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้าเราดับไ้ตัวนี้ได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปแล้วต่อไปทุกครัง้งเวลาเราเจ็บไา ย, า ย, ยา ไ, รราได้ป่วยจะเจ็บยังไงเราก็ไม่กลัวต่อไปเราจะถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาหมืเสียงดังๆที่เราไม่ชอบ ถ้าเราถ้าเราหยุดต่อต้านเราหยุดไปมิวความอยากจะให้มันหายไปเรายอมรับเขาได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจเราอันนี้ต่างหาคือคือคือเสียงที่เราต้องการเห็นที่พระพุทธเจ้าหรือพระพระอริยเจ้าทุกข่านท่านที่ท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุตรงนี้บ ร, รษย์ตรงในอริยสัจสิ่งของแต่ละขั้นพระสุดาบันก็มีรอริยสัจสิ่ง พาาาระอนาทามีพระสกิรดาคามีท่านก็มีอญญายักษิตแต่วัตถุของความทุกข์นี้มันต่างกันวัตถุของพระโสดาบันก็อยู่ที่ความตายของร่างกายวัตถุของพระอนาทามีก็อยู่ที่อสุภะคือความความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นอสุภะนี่มันก็จะความทุกข์ที่เกิดจากราคะสัญหามันก็จะหยาบไป เมืันแต่ละขั้นมันก็จะต้องเห็นอริยสัจถึงจะถึงจะว่าถึงจะรู้จริงถึงจะผ่านถึงจะบรรลุจริงหรืออาจจะเห็นอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่อาจจะไม่ต้องเป็นแบบแบบที่เราว่าถ้าดเชนเห็นว่าเวทนามันเกิดเพราะนั่เนื้อกระดาษไปเองเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนี้ก็ก็ได้แต่ถ้าเราวิเคราะหเลกๆเราก็้าเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาว่าเราไม่ใจเหี โลภะโหะโลพระกับมาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ป่อนมันมันก็เหมือนกันแต่ที่พูดที่พูดพูดมาในในในเชิงของอริยสัจสิที่มันมีอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราจะเราจะสามารถเอามาวิเคราะห์และอธิบายให้เห็นเป็นขั้นๆอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่เพีย ทำใจให้เป็นอุนเบกขาแล้วรู้ว่ามันเกิดแล้วมีด่างรู้ว่ามันไม่เพียงรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันนะมันก็เป็นอริยสัจเหมือนกันมันก็เป็นมร น, นี่เรามองจากมุมของมร์มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรามองจากมุมจากสมุ ท, ทัยล้วก็รู้ว่าอาเมื่อที่เราไม่ชอบมันแต่เดี๋ยวนี้เราเฉยละมันจะอยู่ก็อยู่เหมันจะไปก็ไปอย่างนี้มันก็มองจากมุมของสมุ ท, ทัยมันก็อยู่ในอริยสัจดี ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้จะมองจากมุมผ่องมักก็ได้มุมมองจากมุมของสมุทรไยได้คือสมุทรไทยเราได้ละแล้วเรารืมแล้วว่าเราเราไม่ไปยินดีร้ายกับมันแล้วอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะมองจากมุมจากมักก็ได้ว่าเราไปบังคับมันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้มันก็ได้กันแล้วพูดหลังจากนั้นเมื่วันหลังๆนะเจ้าค่ะมันไม่ปวดนะเจ้าค่ะสองสามชั่วโมงมันก็ไม่ปวดมันจะปะพราะมันส่วนใหญ่เปนปวดที่ใจไง ร่างกายเราไม่มีปฏิกิริยากับความปวดของร่านการเนะมันเจ็บเราก็นู่มันเจ็บแต่มันไม่ทรมานใจแต่มันมันจะเห็นเป็นนิมิตะคะทจ้ค่ะเป็นอที่เรานั่งอยู่มันจะเป็นโครงกระดูกหมดนะเจ้าค่ะอืตรงนั้นเนี่ยเราจิตผู้รู้ก็จะบอกว่ามันเป็นกระดูกเป็นเป็นธาตุดินอเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงจ้องว คือพิจารณาตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับพิจารณายางไม่เป็นนะจ๊ะก็พิจารณาต่อไป จ, จนกว่าเราจะมีความเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุแล้วเราก็ปล่อยวางความยึดติดในร่างกายไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเราของเราหรือร่างกายของผู้อื่นก็เหมือนกันไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจผู้ที่สั่งการแล้วเราก็ต้องถ้ า, าอยากจะรู้ว่าเราปล่อยวางเก่งหรือวม่เราก็ต้องเอาร่างกายนี้ไปไปนี้ไปปล่อยไว้ในป่านไปทิ้งไว้นในป่าช้าหรือไปทิ้งในป่าเดี่ยวเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเพียงดินน้ําลงไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็พร้อมที่จะให้มัน เป็นไปาตามเรื่องของมันอย่างนี้มันก็จะก็จะไปพิสูจน์ด้วว่าเรามีความยึดติดในร่างกายหรือเปล่าที่วิทีเราเห็นนี้มันเป็นเหมือนปริญญาเหมือ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการเรียนหนังสือมันสอนเราบอกให้รู้ว่าในร่างกายนี้เป็นเพียงคองกระดูบเป็นเพียงดิน น, ใ น, ใน้าลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราที่อยู่ที่เราว่าเรายัางยึดติดกับมันอยู่หรือเปล่า นี่เราจะรู้ไม่รู้ก็อยู่ตอนที่ว่าเราจะต้องเสียมันไปถ้าตอนที่เราจะต้องเสียมันนี้เราเฉยเรืเราไม่เฉยถ้าเราเฉยก็แสดงว่าเราไม่ยึดติดถ้าเราไม่เฉยเรายังเสียดายยังเกิดความวิตกหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ก็แสดงว่าเราเห็นจริงแต่เรายังทําใจไม่ได้กับความจริงที่เราเห็นแล้วเราก็ต้องก็ต้อง ไปทดสอบดูทดสอบเดูอ น, อเดอนอย่างพระป่าที่ก็ไปอยู่ในป่าน mm ้อยน้อยปูองลุกท่านเดินเดินทุ่งตงตอนกลางคืนพอท่านไปเจอเสียข้าวจิตของท่านก็รวมลงเข้าสู่สมาธิปล่อยวางร่างกานเราจะทำมันได้หรือเปล่าถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามีสติคงจะอยู่พอเจออะไร เมื่มีภัยที่จะมาลุกมาถึงร่างกายแล้วก็ปล่อยร่างกายไปคิดว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็ทำไปเป็นไปใจก็เข้าสู่เดชฐานไปแยกออกจากร่างกายไปอย่างนั้นเนี่ยพอมาเห็นอย่างนั้นแล้วต่อไปมันจะไม่โกลัวตายพราะมันรู้ว่าเวลาเกิดมีภัยขึ้นมานีจใจเรามีที่หลบใจเรามีที่พึ่งเนี่ย ใจมันมีคือคืออุเบกขาธรรมเป็นที่เพ right. ื่อนของใจปล่อยวางร่างกายเพียงแเห็นความกระเดื่องเห็นว่ามันดินน้ําลงไปนี่มันยังเป็นเพียงความรู้ที่เรายังไม่ได้เอามาใช้ในในในการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติจริงนี้ต้องไปเจอของเสียงเชนไปเจอภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วใจเราตื่นหรือเปล่า เมื่อใจเราสงบาใจเรามีปรรัญญามันก็จะข่มใจให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายแทนที่จะตื่นหวงรักกลัวตัวกลัวตายแล้วก็วิ่งหนีภัยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันยังยึดติดอยู่กับร่างกายถ้ามันถ้ามันรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็ปล่อยมันเกิดขึ้นไปใจก็จะวุ้เ ข, ข, ข้าไปในเบ็ดขาแทน ต่จะไม่ยิ่งหนีไยไม่พ า, าร่างกายยิ่งหนีไปไหนก็ปล่อยให้มันไปไปตามเรื่องของมันอันนี้ถึงจะเป็นการปล่อยวางทางปฏิบัติเข้าใจไหมอันนี้ก็พยายามจะเลยภาพที่เราเห็นในั่นนิดๆไปเรื่อยๆเวลาเราออกมาจากนิดๆน้นเราก็ยังสามารถนิดกถึงมันได้ เดินใจอยู่เรื่อยๆเผือเวลาไปเจอภยัยให้มันเผ่อไปเจอโจรเขาจะมาพ่นมาค่าเรานี้ไอ้ความรู้วันนี้มันก็จะเข้ามามาเตือนเราบอว่าไม่ใช่ตัวเราของเร า, เาตายเป็นตายปล่อยเป็นปล่อยพ อ, อมันปล่อยร่าใจก็จะปลอดภัยใจก็จะเข้าสู่สูอุเบกขาพอปล่อยแล้วมันก็ดีเองเนี่ยพอมันยอมหยุดแล้วนก็ดีมันยองปล่อยร่างกาย ไปยาวไปทำอะไรก็ให้เข้าไปก็อยากจะฆ่าก็ให้เพ่อไปฆ่าหมอเวลาที่เราเจริญอานาสติเ น, นี่ยมันลบที่เข้าเนี่ยข้างในมันจะเป็นภาพานิดๆก็ถูกปั่นภาพเพร า, าจรงมันควรจะรู้แต่ลมอย่างเดียวไนะม่ควรที่จะไปรับรูปภาพต่างๆซึ่งมันอาจจะเกิกดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ในขณะที่เรา ท, าทําสมาธิ เราอย่าไปหลงตามภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้เรายึดติดกับถ้าเราใช้ลหมหายใจเป็นเป็นองค์ภาวนาเราก็ต้องยึดติดอยู่กับลหมหายใจอะไรจะมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปตามให้กลับมาตามรู้ที่ลมอย่างเดียวให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวเพราะเราไม่ต้องการที่จะเห็นอะไรเวลาทาสมาธิเราต้องการให้ใจนิ่งให้สง บ, บให้ว่าง ถ้าไปเห็นอะไรแล้วตามรู้เหตุด้วยเห็นนือเหมือนก็ใจก็ยังไม่เข้าสู่ความสงบเมื่อไม่เข้าสู่ความสงบมันก็จะไม่มีพลังไม่มีพลังที่จะมาต่อสู้กับกิเลสไม่มีพลังที่จะมาจะเจริญปัญญาต่อไปออกมาแล้วก็เหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิสมาธิแบบที่มีนิดๆแล้วเราไปเพลิดเพลินมนันไม่มันไม่เป็นประโยชน์สมมตการเจริญไม่ปรันา การเจริญปัญญาเพราะจะไม่มีกําลังที่จะสั่งยังให้จิตพิจรารณาสิ่งที่เราต้องการพิจรารณาเช่นท่านร่างกายเราก็จะไม่มีกําลังที่จะมาพิจรารณาร่างกายอย่างต่อเ น, นื่องพอไปสมาธิแล้วพอกิเลสมันออกตามมาด้วยมันก็จะฉุดเราให้ไปคิดเรื่องอื่นแทน ไปกําวลเกี่ยวกับเรื่อนนั้นเร่อ น, นี้ไปห่วงเรื่องนั้นเรื่อนี้แท น, น, นที่แทนที่เราจะมาพิจรารณาความเกิดอย่างเจิดตายของร่างกายเรื่งองดินน้ำลมไฟเรื่องารธาตุที่สองมันก็จะไม่ได้พิจรารณาเพราะว่ามันไม่มีมันไม่กิเลส ม, มันมีกําลังมันไม่ได้ถู ก, กของสมาธิตัดทอนแต่ถ้าเป็นจิต เป็นสมาธิที่สงบเง่งบจิตว่างเป็นอุเบกขาเนี่ยวเวลาออกมาเนี่ยกิเลสยันอ่อนกำลังลงไปมันจะไม่มีกกำลังมากพอที่จะถึงรากให้เราไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะสามารถสั่จิตให้คิดในเรื่องที่เราต้องการจะคิดก็คือเรื่องร่างกายถ้าเราอยู่ในท่านร่างกายเราก็ต้องคิดในงานร่างกายพิจารณาเกิดแก่กดับตาพิจารณาดินน้ำลมกาพิจารณาสุภะ มันก็จะพิจารณาไปได้ในระยะหนึ่งพอไปถแคระยะหนึ่งแล้วพอใจเริ่มเริ่มหายเย็นแล้วเริ่มร้อนขึ้นมานทีเลียก็จะมีกํำลังมากขึ้นถ้าเดี๋ยวมันก็จะดึงให้เราไปคิดนั่นเองแทนจะคิดเรื่องอสุภะก็จะไปคิดเรื่องสวยงามแทนเห็นที่ที่ว่ามันตาก็คิดว่าจะอยูต่อไปแทนตอนนั้นเราก็ควรที่จะหยุดพิจารณาแล้วเราก็กลับเข้าไปทําสมาธิมาทำจิตให้สงบ เพื่อที่จะตัดกําลังของกิเลสใหม่งงั้นยาธรรมสมาธิต้องให้มันนิ่งอย่างเดียวถ้ามันไปมีนิ่งๆแล้วไปตาดมดมนมมูนิ่ๆไม่จิตมันจะไม่มัอออมนมันจะไม่นิ่งแล้วก็ออกมาไม่กิเลสมันจะไม่นิ่งกิเลสจะไม่ไม่ถูกตัดํา ต, ตัดทอนกําลังกําลังกิเลสที่จะมีเหมือนตอนก่องที่เราจะเข้าไปในสมาธิก็จะไม่เกิดประ ถ้าถ้าท่านี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญปัญญาวิปัสนาพิจารณ า, ณาตายร่างในขันห้าในรูปเวื่อที่จั่งใจนั้นทังหายอย่างได้เพราะว่าไม่มีกำลังพอที่จะจดจบเจ อ, อยู่กับการพิจารณาเพราะทิเลจะมาฉึงล่างให้ไปพิจารณาเรื่องอื่นแทนไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นกันในเวลานั่งสมาธิต้องระมัดระวังมาก ถ้าเราไปเจอมิตต่างๆางเราต้องรู้แล้ว่าเรากำลังหลืองทางนะคือแทนที่จะเข้าห้องของของอัปนาของความสงบเราไปเข้าห้องที่มีวีดีโอให้เราดูไปนั่งดูวีดีโอแทนเพลิเดเพลินกับการดูหนังฟังเพลงใ น, นห้องนั้นพอออกมาจากห้องนั้นแล้ว่็เหมือนกันไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าเข้าไปห้องที่มีเตียงให้เรานอนนอนหลับสบาย พอออกมาจากห้องนั้นก็มีความสดเีืยงมีกําลังว่องแฉที่จะไปทํางานต่อไปในสมาธิมันมีสองห้องห้องหนึ่งที่เรียกว่านงีงสงบเป็นอุนเบกขาเนี่ยแลห้องหนึ่งที่เราเรียกว่ามีนิมิตต่างๆห้องที่เป็นนิมิต ม, ม, มทีทางใช้ปฏิบัติเราเรียกว่าอุปจารสมาธิห้องที่ไม่มีมนิมิต ม, ม, มีแต่เตีงใหเรานอนหลับสบายนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิ อย่านะง้วเราต้องเข้าห้องอปัญงญาเข้าห้องนอนไปพักจิตอย่าเข้าไปห้องที่มีมีเครื่องมันเทมให้เราชื่นให้เราชมมีวีดีโอให้เราดูให้เราฟังถ้าไปดูตัวมินิมนนี่ก็เหมือนเราไปเข้าไปอีห้องถ้าไปเข้าห้องห้องนั้นแล้วมันจะไม่มีกําลังเวลาออกมาจะไม่มีกําลังที่จะต้านกิเลสที่จะดึงใจให้ไปคิดทางเรื่องของกิเลส แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องอัปปัญญาห้องที่จิตนิ่งสงบเนี่ยพอออกมาจิตเดกจะไม่มีอารมณ์มันจะไม่มาคิดลากให้เราไปถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็ยังเฉยๆอยู่มันก็ยังแต่มันจะไม่ไปทางโ น, น้มกลื่อนยแต่ถ้าเราสัาง่งให้มันไปทางปัญญามันก็จะคิดไปทางปัญญาตลอดเวลาเวทาทำสมาธินี้ต้องให้เข้าไปในห้องที่สงบว่างเป็นเดชฐานอย่างเดียวถ้ามีมนิดๆก็อย่าไปสนใจให้กับ อย่ไปตามรูให้กลับมาหาลมหาองคนะ์ภาวนาของเราก่อนอันี้เวลาลมเนี้ยนะคะสมมติว่าเท่าเนี่ยมันเป็นสามจุดเจ้าค่ะพออันนี้ให้อยู่จุดเดียว<ห>จุด<ห><ห>เดียวจุดไหนก็ได้แล้วแต่ที่ที่เราจะสามารถที่จะผูกใจให้อยู่กับตรงนั้นไดน้ไม่้เราไม่ต้องการให้ใจเคลื่อนไปไหนเมื่อไหร่ให้อยู่ที่เดียวอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้อยู่ที่กลางอกก็ได้แล้วแต่ถนัดอันนี้แล้วแต่ความความเด่นชัดของลม เราต้องการจุดยึดใจตอนนี้ไปเหนือนเรือเราไม่ต้องการให้มันไหลไปตามกระแสะน้ำเราต้องผูกไว้กับท้า เ, เรือวิสาววิทอดสมองไว้ต้องไหลก็ได้ให้มันนิ่งอย่าให้มันไหลไปตามกระแสะ น, ะน้ำมันก็ทําฉลับกันไปพอออกจากสมาธิก็ต้องบังคับให้มันพิจารณาตายล้ในรูปแล้วพอพิจารณาจน หมดกําลังแล้วี่เห็นริ่ามารลบกลัวเนี่ยก็หยุดพิจารณากลับเข้าไปนั่งสมาธิใหมพอออกมาก็ออกมาเดินตรงกลมแล้วก็พิจารณาร่างกายนี้ใหม่สลับกันไปอย่างเนี้ยแล้วต่อไปปัญญามันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นมันก็จะติดอยู่กับมาเป็นเรื่องจนมันอยากจะไปพิสูจน์ว่ามันแน่นจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปแน่แน่ถ้ามันพิจารณาเถึงขั้นนั้นแ้วมันไม่กลัวตายแล้วะมันอยากจะรู้ว่ากว่ามันรู้จริงหรือไม่รู้จริง อันนี้จริงๆตอนนั้นเรียกจะเป็นเหมคนบ้าละเมื่อก่อนนี้กลัวเลยกลัวงูถึงตอนนี้จะวิ่งเดินหางูแล้วให้มันรู้สวรรคเป็นยังไงกลัวจริงไม่กลัวจริงหายกลัวหรือไม่หายกลัวนี่มันต้องไปที่สูจเดียวแต่พอมันพิสูจนแล้วมันหายแล้วมันรู้มันหาแล้วมันก็ไม่มันก็หายบ้าละมันก็ไม่ไปที่สูจน์อีกแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปหางูเลยถ้าเจะงูมันก็เฉยๆถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หรือไม่ได้ก็ยืนเฉย เดี๋ยวมันก็ไปมันก็ไม่อยากจะทำเราเราก็ไม่อยากจะทํานั้นแต่ตอนที่จะพิสูจน์เนี่ยมันเป็นเหมือนคนคนบ้าบ้าราห่เช่นเดินไปในที่เมื่อนในป่าไม่ต้องใช้ไฟจะเหยียบแล้วก็เหยียบเราต้องการพิสูจน์ว่าเราปล่อยร่างากายนี้ได้หรือเปล่ายาวแม่งมีกันไหการก็กดรติดตายก็ตายตายิดต้องคิดนี้ ถ้ามันคิดอย่างนั้นนะนะความกลัวมันจะหายเนี่ยจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบไป็นอุเดกขาเนี่เหมือนกับที่หลวงปู่ชอบที่ไปเ จ, เจอเสือต่อหน้าต่อตาเนี่ยแต่ก็ต้องการที่จะไปหาเสือเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่ากลัวจริงกัไม่กลัวจริงเพราะนั้นท่านก็ปงแล้วตายก็ตายแต่ใจมันมันจะดิ่งเข้าสู่เบกคาแล้วมันปล่อยวางพอมันปล่อยตายก็ตาย จิตมันก็ฮุบเข้าไปเข้าสู่ความสมังหเข้าไปในอัปนาสมาธิในทางพิจารณาได้ปัญญาพิจารณาไปด้วยองเรื่องความเกิดเรื่อ ง, องวความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะมันจะต้องท้าทายให้เราพิสูจน์ให้ได้เพราะมันยังไม่หายสงสัยอ่ะท่ายังไม่เจอของจริงมันยังไม่หายสงสัยมันต้องต้องเจอของจริงแน่ๆที่ไหนที่มันเป็นที่พิสูจน์ก็จะไปหาที่ตรงนั้นน่ะอาจจะไปนั่งอยู่ในป่าช้าคนเดียวก็ได้ เรื่องใดพิสูจน์จะกลัวอะไรนั้นก็ต้องไปหาลงนั้นอะไรที่เป็นตัวตัวที่ทําให้เรากลัวเราก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันหายกลัวหรือยังเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายนั่นเองเมื่อยอมตายแล้วเมื่อยอมปล่อยร่างร่างกายนั้นมันก็ต้องรู้ว่าปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงแต่ต้องพิจารณาก่อนต้องมีโอกาสได้เจริญมากๆก่อนจนกระทั่งจิตมีกําลังพอที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติได้ ระหว่งระว่า ง, งพิจารณาก็ต้องทำทำสลับกับสมาธินี้ไปพ อ, อ, อพิจารณาแล้วพอจิตเนิ่นเนิ่นไม่พิจารณาแล้วเนิ่นเลอะเทอะแล้วเนนไปคิดเรื่องนั้นเร่องนี้แล้วก็หยุดแล้วก็เข้าไปทําสมาธิต่อพอจิตสงบอกอกจากความสงดแล้วก็มาพิจารณาใหม่ต่อพิจารณาเรื่องความตายนี้ต่อว่าต้องตายต้องตายต้องตายแน่อนอนมันเป็นเพียงดินน้านมฝันพิจารนี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะยอมรับความจริงอันนี้ แล้วเ ม, ม่อยามล้วมันก็อยากจะไปพิสูจน์เนี่ยนี่เป็นเป็นเรื่องของการปฏิบัติมันต่างกับปัญญาภริยามันเรียนรู้ได้ท่องจกได้แต่มันจะไม่มีกําลังที่อยากจะไปไปพิสูจน์เพราะมันมันไม่ได้เป็นปัญญาที่เกิดจากาา ก, ก, จาการปฏิบัติปัญญาเกิดจากการปฏิบัติมันต้องทําอย่างต่อเนื่องพัฒนายอย่างต่อเนื่องจกนกระทั่ง ไม่มีกิเลสที่จะมามีโอกาสมาแยง่งมามาคัดทานได้แต่ถ้ายังมีกิเลสมาคัดค้างว่าไม่เสียดายชีวิตเหลือยีดตายเรทําไมอย่างวันอย่างนี้ไม่บ้าบิ่นเกินไปหรือไม่ไม่รู้ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นทางสายกลางแล้วเนี่ยทําอย่างนี้อะไเกินไปแล้ยังนี้นี่เรื่องของกิเลสเนั้นเน่ยถ้าเราไปทําอยู่ ถ้าเราวันนี้ต้องเป็นไปอย่างที่พูดเนี้ยถ้าพิจารณาอยู่มากๆจนกระทั่งมีแต่ทํำนุวนๆอย่างอาจายว่าต้องตายต้องตายแน่ๆในงาก็เห็นแล้วต้องทําตายเมื่อถึงเวลานั้นมันก็จะถามตัวเองว่าทีนกลัวตายหรือเปล่าจะรู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปดูต้องไปพิสูจน์ดูต้องขึ้นเปทีคกับบางไม่ดีนะบางไม่ดี มีางเลือกหนาเลือทนากเรเที่ยงกันกความเจ็บด้วยป่ะก็ต้องพิจารณาแล้วก็นั่งช่วยมันให้มันเกิดขึ้นแล้ให้มันหายไปแต่เองล้วต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บนะเจ็บก็เจ็บไปนั่นก็แค่เจ็บเท่านั้นแต่ความทุกขามาจากที่มันรุนแรงกว่าความเจ็บนี่นมันหายไปแล้วขยะงพราตัวนี้หายไปแล้วไม่มีปัหาจะเจ็บขนานไหนก็ไม่มีปัญหาเลยการเปลี่ยนที่ท่านอากความเจ็บหายไปนี่มันหายไปจริงๆหรือว่าเราทําใจได้กับการเจ็บ ถ้ามันหายไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนี่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเป็นแต่ว่าเราไม่ไปสนใจมันหรื่คือความเจ็บมันมีสองส่วนหรือว่ามันหายไปความเจ็บทางร่างกายกับความเจ็บทางใจงความเจ็บทางร่างกายีบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายแต่ความเจ็บทางใจถ้าเราพิจารณารับจกักกิเลสตัดตสุนทรีย์ได้อันนี้จะหายไปหมดเลยในเวลาพิจารณาเวทนาเราติด ละอุปทานและสมุทัยได้นี่มันมีเหตุผลสองลักษณะบางทีความทุกขใจหายไปหมดแต่ความเจ็บของร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่มาลบควนใจหรือบางทีหายไปทั้งสองส่วนเลยทั้งความเจ็บของร่างกายก็หายไปร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเพราะจิตมันเด่งเข้าสู่ความสงบ อ, อย่างเต็มที่มันไม่รับรู้อะไรเลยอย่างนั้นก็เป็นแบบมันเป็นได้สองแบบด้วยกันแต่ยังไงก็ต้องให้รู้ตรงที่ว่า รู้ว่าเราละสมุทัยได้แล้วเราละความกลัวความเจ็บได้แล้วเราเราไม่ปฏิเสธความเจ็บแล้วมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าอย่างนี้แล้วมันถึงจะเป็นเป็นเป็นมากเป็นปัญญาแต่ถ้ารู้ว่ามันหายไปโดยทีงไง่ไม่รู้อีหนูอีเหนื่อยนี่มันก็อาจจะเป็นเพราะอาํานาจของสมาธิหรืออานาจของขันติที่เราอดทนอดกลั้นช่วงมันไปท่านนีงเราต้องเห็นอริยสัจในใ น, ในเวทนา ว่าเราได้ปล่อยวางไม่ตตานะเราไม่มีสมุทัยความอยากคำเมตตานะอย่างนี้ถึงจะเป็นเป็นมากถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะมันจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบสมาธินี้เข้าหน้าเจอก็ยังกลัลวเรานั่งแล้วทนเลาวทาใจพุโทโธพุโทโธแล้วมันหายไปแต่พอเข้าต่อไปเจอมันก็ยังกลัวมันก็ต้องทำใจพุโทโธพุโทโธเหมือนกัน แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วตัดความกลัวได้กลัวความเก็บได้ต่อไปมีเจชทีลรมันก็จะไม่กลัวมันก็จะไมาจบจัง <c oughs> ทุกอย่างมันต้องลงที่อริยัสสกิเนแต่เรียกว่าเป็นมรรคผนิพพานคนที่บรรลุธรรมนี้ต้องต้องเห็นอริยาสาัสสกิท่านต่างๆพระโสดามันก็เห็น ขัานของพระสุนตดาวันพระสกิดาการีก็าาเห็นชั้นของพระสกิดาก า, า, า, า, า, ารีพระอนัญการีพระอนันก็จะเห็นอิยะศัพท์รีของแต่ละขั้นไปหัวใจขอ ง, งพระพุทธศาสนก็อยู่ที่พระอาิยศัพท์สีเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมั้นลรกก็ทรงแสดงเรื่องของพระอายะศัพท์สี่พอแสดงก็เรื่องอายะศัพท์สีขึ้นมาพระอนยาโกเชยะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ต้องเห็นนะอริัยสัตว์สนะิ่งหัวใจเราว่าพุทธศาสนาทุกคําสอนทุกบททุกบาตรก็มาจากพระอริัยสัตว์สิ่งพระเจ้าทราาาาาางตรสว่มมาธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนี้ถึงแม้จะมีมากมายก่ายกอแต่ก็เป็นเหมือนน้าในมหาน้ําในมหาสมอถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดั้นะ เรื่องนามหาสมุทรดีนาสมุทรก็จะมีรสเหมือนกันก็คือรสของความเค็มขณะคำสอนของพระเจ้าจ ะ, จะมีมากมายขนาดไหนก็นตามก็จะมีรสอันเดียวท่นก็คือรสของของความทุกข์และวิธีการดับทุกข์ทุกเสียงที่ทรงแสดงนี่คือจะแสดงนั่งทุกข์น่นนะวิธีการดับทุกข์เพราะถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ความทุกข์นี่เราถึงต้องรู้จักทุกข์ อ่านที่สอนให้เราทุกเราต้องกําหนดรู้ให้พิจารณาความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นความทุกข์ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาต้องพัดพลา จ, จากกันนี่เป็นความทุกข์โ ด, ด, ด, ด, ด, ดยโดยโดยโดยย่อท่านก็บอกว่าคือาการอุปทานในความยึดมั่นถึงมันในขันห้านี่เ อ, อุปทานในขันห้านี่แหละเป็น ค, ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องตัดอุปทานในขันห้า ต้องปล่อยให้การห้างเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะเกิดเขาจะดับอย่างไรก็ปล่อยเขาเติมไปตามเรื่องของเขาแต่เราไม่ยอมปล่อยเขานี้ยเราชอบไปจัดการกับเขานลยจัดการกับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาจัดการกับจัดการกับความรู้สึกของเราตลอดเวลาชอบชอบให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเวทนาให้มุดจบอย่างเดียวไม่ต้องการทุกเวทนาใช่รหม ร่างกายก็ทำการให้มันแข็งแรงสุขภาพส ม, มบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ปวดไม่ตายเราเราไม่ปล่อยในอิปทานในขันท่าเราไม่ปล่อยขันเราไปไปยึดไปติดแล้วก็ไปจัาที่เจ้า ก, การกำมันเราก็เลยต้องทุกข์กับมันถ้าเราปล่อยแล้วมันก็เราก็จะไม่ทุกข์ขันท่าของคนอื่นเราไม่ทุกข์เะคนที่เราไม่รู้จักเราไม่จะจัดการเขาชีวิตเขาเนี่ยขเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดรอนเนี่ย เราไปทุกข์กับเขาหรือเล่าแต่ถ้าคนไหนเราไปยึดกับเขาเราทุกข์ไหมพอเราไปยึดติดใครแล้วเราจะทุกข์กับเขาบริงนี่คือทุกข์ที่เราต้องกําหนดนี้ต้องศึกษาเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเห็นเห็นเหตุของความทุกข์ว่าก็คือความอยากนี่อย่างอยากให้เป็นอย่างนั้อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าต้นเหตุของควาทุกข์ก็คือความอยากนี่ต่างแล้วก็ตัดความอยากนั่ถึงก็อย่าไปอยากอย่าก็อยากไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้ตาย เราไม่มีความอยากเรานี่อยู่เรามันจะเก็บจะแก่จะตายเราก็ไม่เดือดร้อนนะเราก็ไม่ทุกนะก็เป็นนิโรธถึงน่ะนิโรธเพราะว่าเรา ม, มีมากเพราะเราใช้สติปัญญาวิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราเองความกลัวนี่ก็เป็นความอยากนะเงความไม่ชอบก็เป็นความอยาก ความชอบก็เป็นความอยากความไม่ชอบก็คือความชังหรืความกลัวความชอบก็คือความรักนี่คือเราต้องทำใจให้เป็นกลางเยให้อยู่ระหว่างความรักกับความชังอยู่ระหว่างความชอบกับความไม่ชอบอยู่ระหว่างความกลัวกับความไม่กลัวให้อยู่งกลางอยู่ระหว่างความกลัวกับความกล้าความกล้านี่ก็เป็น เป็นกิเลสแบบหนึ่งความกลัวว่าเป็นกิเลสห น, นึ่งต้องเฉยเฉยไม่กล้าไม่กลัวเอาละพอแล้วนะวันนี้น